Okay. อ่ะหลังจากที่ตะ ก, กี้นะคะเราได้รับการปังเพลงตะ ก, กี้เราดูคลิปเต้นกันไปแล้วเราก็มาฟังคนล้องเพลงใช่ไหมคะได้ยินเสียงรือเสียงว่าอ้าวว่าเพราะมากแล้วก็เพราะจริงๆด้วยเอ้ยขอเสียงผมมือให้เยะะอหน่อยค่ะเนี่ยหลังจากที่เราได้รับฟังมันเขาเรียวกว่าอะไรสร้างบรรยากาศรื่นรมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมีวิทยากรท่านหนึ่งเป็นเป็นหนุ่ม เขาเรียกอะไรเป็นหนุ่มสุดหล่อจอมซินโตะ oh. นะคะก็เป็นคนหนึ่งซึ่งซักซึ่งเคยมีประสบการณ์กับเรื่องสุขภาพมาก่อนในช่วงระยะเวลานึง oh. ใช่ไหมคะดูแลตัวเองรักษาตัวเองจนกระทั่งหายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะแถนปัจจุบันเนี่ย oh. ก็ยังทํางานเป็นนักแปลภาษาให้กับบริษัทแอตตออีกด้วยเออ oh. ทางานเพียงแท่เป็นคนที่ไม่ใส่ภาพาามากมๆทํางานเพียงแท่เดินเดียวก็ได้รับการประวุให้เป็นออฟฟิศเมนเทอร์นะคะ เรียกได้ว่ า, เ, วาเป็นคนที่มีศักยภาพมากมากแล้ววันนี้เขาก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพให้เราฟังแต่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรนะเดี๋ยวให้เขาแนะนาแนะนำให้ฟังแล้วกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมร้านนะคะก็เสียงฮะถ้าเพื่อนๆพร้อมล้วนะคะก็ขอเสียงปมือต้อนรับนะคะวินกาวินวุธีมงคลคุลค่ะ สวยไหมครับสวยไหมครับนะครับแต่กินที่คนถามว่ามาทำไมครับมันเป็นพรอปมันเป็นพรอปมันต้องอยู่ด้วยนะครับขอบคุณพี่ลินนะครับที่ให้มีโอกาสได้ขึ้นมาแบ่งปันวันนี้นะครับก็คือเรามีสเปเชียลคอร์สเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองโดยเฉพาะนะครับ Eat Drink and Be Healthy นะครับเป็นครั้งแรกนะครับต้องขอเสียงปรบมือเริ่มคอร์สเลยครับ อ่านะครับแต่ก่อนอื่นปกตินะครับเวลาเราทำคอร์สเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้ใช่ไหยครับจากวิทยากรทีนี้เนี่ยด้วยคือต้องบอกว่าคอร์สนี้ตั้งใจทำกันมากๆนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอะไรบางอย่างเข้ามานะครับปกติแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ที่กำลังจะให้ดูต่อไปนี้นะครับจะเป็นหนังที่เราจะแนะนำคนหละใหคนลองไปเปิดดูนะครับแต่ค่าเฉลีย่ยเกิดที่เกิดขึ้นคือคน ไม่ไปเปิดดูเพราะว่ามันไม่น่าสนใจมากเท่าที่ควรนะครับแต่เชือวินเตอร์ถ้าได้ดูนะสุดยอดมากๆเราเลยตัดสินใจอะครับเอาหนังเรื่องนี้เข้ามารวมในคอสีด้วยนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Eat Drink เอ้ยไม่ใช่ชื่อ Food Ink มันคล้ายๆกัน Food Ink นะครับเป็นหนังปี2008ชื่อภาษาไทยก็คือเปิดโปงบริโภคช็อกโลกนะครับมีการแปลภาษาไทยเรียบร้อยนะหลังหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนัง ดราม่าไม่ใช่หนังถีไม่ใช่หนังแอคชัน่นนะครับมันเป็นด็อกทีมนดารีนะเป็นสารคดีเกี่ยวกับไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับอาหารการกินในชีวิตประจําวันที่เราเจอนะครับ<อ>เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังธรรมดายัางไงนะครับใครรู้จักฟูดอิงไหมครับ <c oughs> เคยได้ยินไหมครับโอเคฟูดอิงไหมครับได้รับรางวัลออสการ์วอร์ดปี2010นะครับเอ็ดี้ปี2010 c r ิติกช้อยส์อะ a อรปี 2010, CFCA Award ปี 2009, DGA Award ปี 2010, Best Documentary ปี 2009, Independence Spirit Award ปี2010และอีกเยอะมากๆนะครับที่ยังอ่านไม่หมดทำไมเรื่องนี้ถึงได้รับรางวัลเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาถ่า ย, ายทำเนี่ยจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรานะครับปัจจุบันเนี้ย อาหารฟาสต์ฟู้ดเขาไม่มีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับถ้าเรา move ไปที่อเมริกานะครับเชื่อไหมครับว่าเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นเนี่ยที่มีแป้งมีเนื้อสัตว์มีผักแล้วก็มีซอสมีตะกวาดองอะไรในนั้นเนี่ยสามารถขายได้ถูกมากๆแล้วมันทำให้กลายเป็นการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคของคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การทาฟาร์มแต่มันคืออุตสาหกรรมนะครับ หนังเรื่องนี้จะบอกบนเลยยาวนิดนึงนะครับประมาณชั่วโมงยี่สิบนาที<อ>นะคตอนแรกคิด ก, กันว่าจะให้ดูดีไหมเพราะมันชั่วโมงยีิบนาทีต่อหลังจากที่ดูแล้วแล้วก็ตัดจากจา ก, จากที่ตัดสินใจหลังจากที่ดูเนี่ยวินคิดว่าทุกคนควรดูนะครับเป็นหนังที่ดีมากๆนะครับ<อ>แล้วก็เป็นภาคภาษาไทยแล้วด้วย<อ>นะครับ<อ>ก็เดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้หนังนะครับพร้อมยังอ่ะพร้อมยังอ่ะ ขอบคุณนะครับผู้สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการ YouTube การที่ผมลองเรลี่ยนกลายเป็นช่วงเป็นไงบ้างครับใครดูครั้งแรกบ้างเฮยอะอย่างนี้เลยเหรออ่านะครับก็เรื่องชีวิตประจำวันเราเนอะ ครับที่เราดูสไลด์ตะกี้เป็นของประเทศอะไรครับะนะครับเมรกาขึ้นชื่อว่าอะไรครับสิทธิเสรีภาพใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าสิทธิเสรีภาพในการที่จะออกมาบอกอะไรบางอย่างนะครับถ้ า, เาอเมริกาอเมริกาประเทศอเมริกานะครับสามารถทําเรื่องพวกนี้ออกมาได้คิดมีอยู่ในประเทศอื่นไหมครเนาะแต่ทําไมเราถึงไม่รู้กันนะครับไอคําว่าปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนเราเลยปรับเปลี่ยนไก่อย่างเงี้ยเราเลยปรับเปลี่ยนปลาเราเลยปรับเปลี่ยนอาหารเราเลยปรับเปลี่ยนข้าวโพดนะครับทําทางการของมันก็คือ GMO นะครับแล้วมันมีผลยังไงนะครับเม่อกี้เราเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับข้าวโพดที่ถูกถูกปรับเปลี่ยพนพันธุกรรมไปทําให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ต้านทานต่อวัชพืชต้านทานต่อพวกศัตรูศัตรูพืชนะครับ ก็เอามาเลี้ยงบัวซึ่งบัวก็กินไม่ได้ทําให้เกิดเชื้ออีโคไลพวกนี้นะครับมันดูเหมือนใกลตัวเราแต่จริงๆนะในประเทศไทยก็ใกล้เหมือนกันนะครับเราลองมาดูกันบ้าง Co สชื่ออีดดิงแอนด์บีเฮลทนะครับโภชนาการคือถ้าเราเข้าเรื่ง่ายๆเนี่ยอาหารห้าหมู่นะครับปิดไฟข้างหน้าหน่อยครับอาหารห้าหมู่ที่เราควรทานเราลุทุกเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างครับก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะครับวิง oh er ขอใช้คําว่าครบ และปริมาณที่ร่างกายต้องการออมันต้องมากับสองคำนี้เออรู้สึกสไลมันจะไม่ไปช่วยด้วยนะครับอาหารในชีวิตประจำวันเรานะครับนี่คือวินลิสออกมาเรานึกอาหารกี่อย่างเนี่ยสิบกว่าย่างแรกที่เราคิดได้นี่คืออาหารสิบกว่าย่างแรกที่วินคิดได้น่ <c oughs> อ, อกไม <c oughs> ไม่ได้เรียงระดับหนึ่งถึงสิบนะครับทิงนี้คือเอามาเร็งเรียกัน เนี่ยคือทิวประจรมันเราก็กินพวกนี้นะครับอืมอ๋อสไลด์มีปัญหาอย่างรุนแรงกันเดี๋ยวกันเล่นให้หน่อยแล้วกันครับอ่ะสไลด์ต่อไปมีอามาให้ดูนะครับตะกี้เราเห็นนะครับแฮมเบอร์เกอร์นะครับเป็นอุตสาหกรรมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงพอดีมีชีสมาแจากด้วยนะครับชีสนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบแปดแผน่น ลองนับดูว่าใครได้ครบไม่ครบนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้เรื่อยๆเราก็เก็บไว้ให้ตัวเองหนึ่งผ่นแล้วก็ส่งต่อไปครับวิเลี้ยงหน้าไ ว, แว้แล้วระหว่างนี้ก็ฟังไปด้วยกันเลยนะครับแฮมเบอร์เกอร์ที่เราทานกันทุกวันแฮมเบอร์เกอร์ของของฟาสต์ฟู้ดที่เรากินกันเนี่ยเชื่อไหมครับรสชาติเหมือนกันทั่วโลกเพราะว่าเขาผลิตที่เดียวกันแล้วก็ส่งนะครับก็ทํามาจากส่วนเนื้อที่ยา่ที่สุดเข้าใจคําว่าส่วนเนื้อที่แย่ที่สุดไหมครับเราเคยได้ยินสันในสันนอกเนื้อทีโบนพวกนี้ไหม เนื้อส่วนพวกนั้นเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นอาหารส่วนที่ไม่มีเรียกไม่มีเรียกเราไม่เคยได้ยินพวกนั้นนะครับคือเนื้อแฮมเบอร์เกอร์นครับใช่อะไรบัางครับกีบรู้จักกีบไหมครับนะครับขนอะไรอะ่ะหูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหอยด้วยเอางี้ดีกว่าวิใช้คาว่าทุกส่วนที่ไม่สามารถนามาขายได้แล้วกองอยู่บนพื้นตรงนั้นน่ะคือเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะครับ มันไม่ใช่เอาวัวทั้งตัวมาทำเป็นเนื้อนะครับเขาต้องแบ่งออกไปก่อนส่วนไหนขายได้ส่วนไหนขายได้10บอันดับแรกนะครับวินเอามาให้ดูคร่าวๆอันดับแรกเนี่ยแต่เก้กคือแฮมเบอร์เกอร์อันดับที่2คืออะไรรู้ไหมครับฮอทดอกนะครับฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกเนี่ยสิ่งที่มีมากที่สุดในนั้นมีเยอะมากๆนะครับคือเขาเรียกว่า MSG คือ monosodium g l u นะครับภาษาไทยเราเรียกว่าผงชูรส ผงชูรสเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยมานานมากแล้วตอนนี้กําลังเติบโ ต, ตอย่างมากนะครับอันดับสามสิบอันดับอาหารที่อันตรายที่สุดในโลกผ่านไปสองละหนึ่งคือแฮมเบอร์เกอร์2คือฮอทดอกสคือเฟรนไฟราเฟรนไฟรานะครับมีความเป็นพิษสูงมากแล้วก็มีสารก่อมะเร็งด้วยเมื่อมันเดินความร้อนยังไม่รวมกับวัตถุดิบที่ถูก GMO นะครับนะครับต่อไปอันดับ6อันดับสี่นะครับคือคุกกี้ชนิดหนึ่ง สีดำแล้วก็มีครีมตรงกลางนะครับอันดับหกคือน้ำอัลมม์มีอะไรบ้างอยู่ในน้ำซ่านะครับกระป๋องนึงเนี่ยให้พลังงานมานละสองรอยกว่าแคลอรี่น้ำตาลในหนึ่งวันที่คนต้องการถ้าเป็นเด็กต้องการสี่ช้อนชาถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องการหกช้อนชากระป๋องนี้ให้น้ำตาลเจ็ดช้อนชาแล้วก็มีคาเฟอีนกรดฟอสฟอริกนะครับเข้มข้นสามารถละลายตะปูได้ในสี่วันก็ ค, คือกรดที่อยู่ใน อยู่ในน้ำซ่านะครับมีวัตถุ ก, กันเสียนู่นนี่นั่นอันดับหกผ่านไปอันดับละอีกสไลด์สไลด์สไลด์อันดับแปดไอศครีมชอบกินไหมครับ<อ>มินก็ชอบเหมือนกันไอศครีมนะครับมีสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำตาลเยอะมากน้ำตาลเนี่ยก็จะทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นนะครับน้ำตาลที่ต้องการอย่างที่ตะกี้เราบอกต้องการไปแค่เจ็ดช้อนชาเท่านั้นโพแทโ ต, ตชิพอาหารขบเคี้ยว น, นี่คืออันดับสิบกินมันฝรั่งทอดเพียงวันละหนึ่งถุงเท่ากับซดน้ำมันพืชปีละห้าลิตรแล้ววันนี้เรามั่นใจแล้วหรอว่าสิ่งที่เรากำลังกินเนี่ยมันเฮลตี้ขนาดไหนนะครับอาหารแปรรูปที่ไม่ใส่สารกันบูดแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกพวกนี้นะครับมันคืออุตสาหกรรมมันไม่ใช่ฟารม์มชาเขียวพร้อมดื่มนะครับน้ําตาลเยอะไหมครับเอนเนอร์จีบาร์นะครับเอนเนอร์จีบาร์ให้พลังงานถูกไหมครับ ให้พลังงานเป็นธัญยพืชนูนนี่นันะ่อย่าลืมนะครับฟุกโตสน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติมันก็คือน้ำตาลอยู่ดีถ้าเราได้รับมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับอ่าให้ดูกันนี่คือกาแฟที่เราทานกันทุกวันถ้าเป็นกาแฟเอสเปรสโซปกติคือกาแฟโดยที่ไม่มีนมไม่มีน้ำตาลแคลอรี่จะอยู่ที่ประมาณสิบสิบห้ายี่สิบห้าแต่พอเราเพิ่มน้ำตาลเข้ามาครับสามร้อยกว่าสี่ร้อย เยอะมากมนะครับแล้วปกติเรากินเอสเพรสโซ่หรือว่าเรากินใส่นมน้าตาลกาแฟมีอะไรบ้างกาแฟกันกาแฟนะครับดื่มแล้วได้อะไรบ้างเคยได้ยินไหมครับว่ากาแฟสามารถช่วยลดน้ําหนักได้อ่าต้องดื่มวันละหกแก้วขึ้นไปจะสามารถช่วยในการลดน้ําหนักได้เพราะว่ากาแฟในกินแล้วจะช่วยให้เราร่างกายเราเผาผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่า สรุปมันช่วยไหมช่วยนะแต่ว่าเราไม่ควรเดิมดื่มเกินวันละสี่แก้วต่อวันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าดื่มเยอะไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับหกแก้วเนี่ยเร่งการเผาผลาญแต่ถ้าดื่มเกินเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือใจสั่นมีอะไรอีกครับเบาหวานอย่างเงี้ยเป็นต้นกระดูกพุนนะครับคาเฟอีนกระตุ้นประสาทคือถ้าดื่มในปริมาณที่พอเหมาะมันดีสุดท้ายนะครับก็ไม่เหมาะสําหรับการที่จะใช้ลถหนักอยู่ดี หมูกับสารเล่นเนื้อแดงนะครับ ว, วิงขอไปเร็วๆนะเพราะตะเกียบในฟูดอีกมันมีหมดแล้วเราจะสังเกตง่ายๆนะครับหมูที่มีสารเล่นเนื้อแดงเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อเป็นซิคแพคนะครับไอ้พวกเนี้ยจะแข็งแรงครับนะครกล้ามเยอะมากปกติหมูเนี่ยมันจะนุ่มๆมะนะครับไอ้พวกฉีดสารเล่นเนื้อแดงจะมีซิคแพคแล้วสารเล่นเนื้อแดงที่ฉีดเข้าไปมันคืออะไรครับมันก็คือยาที่ในปัจจุบันการแพทย์เนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในการขยายหลอดลม เพิ่มการเต้นของหัวใจนะครับแล้วเขาก็ฉีดให้หมูเข้าไปแล้วเขาก็ต้องฉีดแอนติบอติเข้าไปเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยมีมีผลกระทบกับยาตัวนี้นะครับสุดท้ายเราก็ได้ไปทั้งหมดเข้าร่างกายเวลาเรากินสารเล่้งเนื้อแดงเยอะๆเกิดอะไรขึ้นครับก็หัวใจทำงานผิดปกติถ้ากินเยอะๆก็ตายได้เลย ทางหมูก็ไก่ตะกี้เราเราเคยได้ยินเรื่องไก่ไหมครับว่าไก่มีฮอร์โมนเร่งการจเจริญเติบโตมีโกรธฮอร์โมนนะครับปัจจุบันถ้าเราไปเสิร์ชในอกักูในอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะไม่เจอคํานี้แล้วเราจะไม่เจอฮอร์โมนเร่งโตละไม่รู้ทำไมด้วยมันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับแต่ที่เราจะเจอเนี่ยจะมีบริษัทออกมาบอกว่าไก่ที่เขาเลี้ยงไม่มีฮอร์โมนเร่งโตนะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยน คือเอาไก่ไปทํา GMO ให้ไก่เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ดีมากขึ้นแล้วทําให้เติบโตได้ข อ, ขอสไลด์ต่อไปเติบโตได้เนี่ยจะ ก, กิดที่เราเห็นอนะ48วันใหญ่ขนาดเนี้ยครับไม่มีฮอร์โมนเด้งโตนะครับแต่คือ GMO แล้ว GMO มีผลอะไรเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้นะครับปลารู้จักไหมครับตะ ก, กี้เราได้ยินสองปลาตัวนี้อยู่ในหนังด้วยปลาดินแดงปลาดินแดงไม่มีบนโลกปลาดินแดงหรือปลาทับทิมนะครับคือปลาที่เกิดจากเกิดจากการผสมพันธุ์ปลาขึ้นมา นะเป็นการผสมพันธุ์ปลาที่ที่ไม่ได้ใช้การตัดแต่งนะแต่ว่าเอาปลาหลายๆายชนิดมาผสมกันนะครับแต่ตัวนี้คือตัดแต่งเลยปลาแซลมอนปลาแซลมอนปกติที่เรากินในปัจจุบันนี้นะครับถ้าไม่ได้มาจากทะเลน้าลึกมาจากปลาที่เลี้ยงกันก็เป็นปลาเป็นปลาที่ถูก GMO มาแล้วปลาแซลมอน GMO คืออะไรมา้างก็เนื้อเยอะขึ้นแข็งแรงมากขึ้น ผงชูรสอ่าโมโนโซเดียมกลูตาเมนนะครับผงชูรสอยู่ทั่วทั่วไปตามร้านอาหารที่เรากินนะครับแล้วเคยไปกินร้านอาหารสักร้านนึงแล้วเราก็หิวน้ํามากเคยไหมนะครับวินเป็นบ่อยๆนะครับผงชูรสเนี่ยคืออะไรนะครับมันก็คือมันก็คือสิ่งที่เติมเข้ามาในอาหารแล้วทําให้อาหารอร่อยขึ้นนะครับส่วนประกอบหลักก็คือกดเกลือเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันมีมากกว่าดเกลือเนี่ยจริงๆแล้วมีกรดอะมิโนด้วยนะ เป็นคนละตัวที่เราต้องการกลูตาเมิกตัวนี้ครับสกัดออกมาได้จากอะไรรู้ไหมครับใช้โซดาไฟในการสากัดออกมานะครับผงชูรสนี่คือกระบวนการผลิตเนี่ยมีการใช้โซดาไฟด้วยมีการใช้ยูเรียด้วยในการที่มันจะออกมาเป็นเม็ดแบบนี้แล้วที่ร้ายแรงที่ที่แจวของมันคืออะไรคือมีกดเกลือแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่เค็มเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเรากินเยอะขนาดไหนเราจะรู้ตัวอีกทีคือลิ้นชา หิวน้ำมากๆนะครับผงชูรสเวลาได้เยอะๆนะครับพิษของมันมีอยู่2อย่างจาก2แหล่ง1คื อ, อกรดเกลือนี่แหละกรดเกลือเนี่ยถ้าได้รับปริมาณมากๆจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสมองได้แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือพิษจากผงชูรสจริงๆนะครับจะไปทำลายสมองส่วนไฮโปทาลามัสงงคือส่วนอะไรนะครับก็มีการวิจัยออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ไอไวัตโปรเซผู้บริษัทที่ มีมียอดขายขายผงชูรสเนี่ยพอมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้คนเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคปัญญาอ่อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสองเซ้นนี้ยมันตามกันมานี่คือ ง, งานวิจัยที่เขาเออกมาแต่เขาไม่ได้เคลมว่าเป็นเพาอผงชูรสมีอะไรอีกครับกินรัตเกิดอะไรขึ้นอีกสําหรับผงชูรสนะครับก็อย่างที่บอกอะ่ะมันไม่มีมันไม่เค็มเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยเลยว่าเรากินไปเยอะขนาดไหนอันตรายมากๆนะครับไม่ไม่เหมือนกดเกลือในกระเพาะอาหารแล้นะครับ GMO อ่ะเมื่อกี้เราเจอพืชชนิดผักชนิดไหนบ้างที่มันเป็น GMO GM <O. S 1> มะเขเทศข้าวโพดใช่ไหมครับ GMO GM <O S 1> คืออะไรนะครับ Genetic Genetically Modified ใน n ึ s m นะครับคือการตัดต่อยีนพัธนธุกรรมของสิ่งมีชีวิต mm hmm. เช่นเอายีนของขเอายีนทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศเพื่อให้มะเขือเทศตลูในที่อากาศหนาวเย็นได้ เอายีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีนของถั่วเหลืองเพื่อให้ถั่วเหลืองทนทานต่อยาป่าวัชพืช น, นี่คือข้อตัวอย่างที่เราจะได้เจอกันนะครับสำหรับคนที่เขามีความรู้เรื่องสุขภาพเยอะๆเวลาสมมติเราแนะนำยูทิลไลส์แล้วเขาเขารู้ว่ามันมาจากถั่วเหลืองแล้วเขาจะไม่อยากทานเพราะเขาคิดว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันต้องเป็น GMO ซึ่งถั่วเหลืองในในโลกส่วนใหญ่ก็เป็น GMO หมือแล้วนะแต่ยูทิลไลส์ถั่วเหลืองของเขาไม่ใช่ GMO นะครับเป็นถั่วเหลืองแบบออร์แกนิกปลูกเองทําทุกอย่างเองนํายีนจากไวรัส มาใส่ในมะละกอเพื่อให้มะละกอต้านทานโรคไวรัสด่างวงแหวนได้แล้วตามท้องตลาดมีอะไรบ้างกันเนี่ยถั่วเหลืองข้าวโพดมันฝรั่งมะเขือเทศมะละกอฝ้ายจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวใครอยากรู้พืชผักอะไรเนี่ยวินมีรีเสิร์ชมาประมาณเกือบสิบชนิดที่เรากินกันทุกวันแล้วเราไม่รู้่นะครืคอ GMO มาแล้วผักอ่าตะกี้ที่พูดไปนะครับแล้วเข้าสู่เรื่องที่เรากำลังจะพูดในวันนี้นะครับ ไอ้ที่เราได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือสารพิษที่เกิดขึ้นมานะครับถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการหรือว่าได้เปิดในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างเราอาจจะเจอบทความที่ต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องการล้างสารพิษเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาจะพูดถึงกระบวนการนี้นะครับระบบกําจัดของเสียของร่างกายของเราทุกคนมีอยู่แล้วนะถ้าเราไม่มีเราตายไปนานแล้วครับเพราะของเสียจะไม่ถูกกําจัดกําจัดทางไหนบ้างครับเงือปัสสาวะอุจาระอาเจียนน้าตาน้ำลาย คร่าวๆนะครับเวลาเราได้เวลาเราเวลาเรากินอาหารที่มันเป็นสารพิษเข้ามาอวัยวะที่ช่วยในการดูแลเรื่องพวกนี้ ต, ตับไปเราอย่างเงี้ยครับก็จะขับมันออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาทางทางปัสสาวะทางอุจจาระนะครับแล้วเวลาเรากินน้ําน้ําอัดลมเข้าไปเนี่ยสีดําๆเวลาเราฉี่ออกมามันเป็นสีอะไรเนะใสไม่ใช่ขาวดิใสนะพวกเนี้ยนะครับมันก็ถูกกรองไว้ถูกกักไว้เพราะว่าถ้ามันเข้าไปในระบบ ระบบการเาผาผลาเร่ร่างกายเรามันก็ไม่ดีร่างกายเราก็ต้องกักมันไว้ระบบกําจัดของเสียของมนุษย์ทุกคนมีและทํางานได้ดีด้วยถ้าทํางานได้ไม่ดีป่านนี้เราก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ทําไมเราถึงต้องมาคุยกันเรื่องล้างสารพิษทำไมต้องวันนี้หัวข้อคือเรื่องของการดีท็อกซ์เราก็จะเคยได้ยินดีท็อกซ์ประเภทต่างๆนะครับทํานวานเคยได้ยินไหมครับโดยใช้กาแฟดีท็อกซ์โภชนาการดีท็อกซ์อาหารชีวจิตฝังเข็มดีท็อกซ์มีหลายประเภทนะครับ สุดท้ายนิยามของมันคือการขับสารพิษอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขับสารพิษนั่นคือดีท็อกซ์แล้วเราควรมีวิจารณาในการเลือกการดีท็อกซ์ยังไงครับง่ายๆครับทําให้มันใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดไม่ต้องไปสรรหาวิธีการที่มันน่า ก, กลัวน่า ก, กลัวครับเพราะว่าตะกี้เราดูฟูดเองนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือสุดท้ายมันกลายเป็นคำมาร์เก็ตติ้งที่เกิดขึ้นมาก็คือคําว่าออร์แกนิกแล้วมันทําให้อาหารแพงขึ้นหลายเท่า มันคืออะไรครับมันคืออาหารสมัยก่อนของเรานั่นเองแหละนะครับที่ก่อนจะก่อนที่ฟา ร, ร์มจะเข้ามาเป็นอุตสาหารกรรมอ่ะแล้วเราก็ทานพวกนั้นแล้วพอมันเข้ามาเป็นอุตสาหารกรรมก็มีคําว่าออแกนิกเกิดขึ้นมาคําว่าออแกนิกไม่ใช่ปลอดสารพิษนะครับออแกนิกคือเกษตรอินทรีย์ถ้าปลอดสารพิษี่เป็นอีกแบบหนึง่งผักปลอเป็นความรู้เล็กๆในน้อยนะครับผักปลอดสารพิษไม่ใช่เขาไม่ใช้นะครับเขาใช้แต่เขาใช้ระยะเวลาในการปล่อยให้สารพิษระเหยไปหมดแล้วซึ่งการทิ้งระยะเวลาตัวเนี้จะทําให้จะจะหน่วง จำนวงต้นทุนเขาอะทำให้มันนานขึ้นนึกออกไหมครับเวลาเราค้าขายอะถ้าเราเก็บของสต๊อกไว้เยอะเราก็ขาดทุนผักพวกนี้เลยมีราคาแพงผิดปกติแพงมากกว่าปกติเพราะเขาต้องเก็บเพื่อให้สารพิษหายถามว่ามีไหมมีและส่วนใหญ่ปัจจุบันผักปลสารพิษนี้ก็เจอกันเยอะแยะสารพิษนะครับผักที่ไม่มีสารพิษจริงๆเขาเรียกผักออแกนิกออแกนิกคือเกษตรอินทรีย์แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารพิษนะครับต้องตามไปดูที่ต้นตอว่าเขาปลูยยังไงใช้อะไรนะครับสภาพแวดล้อมเป็นยัง เป็นยังไงเขาบอกเขาไม่ใช้แต่ถ้าฟา่์มข้างใช้เขาก็ปนเปื้อนอยู่ดีระบบกำจัดของเสียเราก็ดีอยู่แล้วแต่ปัจจัยที่เราลืมนํามาคํานวณอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเห็นตเกียนวครับใครเคยทานเบอร์เกอร์มั้งครับ <c oughs> มีใครไม่เคยทานเบอร์เกอร์ไหมครับ <c oughs> ครับอาหารที่เราชอบทานกันเยอะๆเนี่ยอชอบทานคนส่วนใหญ่ชอบทานกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพวิน <c oughs> ชอบทานพิซซ่าอย่างเงี้ย พิซซ่านี่เป็นหนึ่งในสิมันอยู่อันดับห้ามีมีวัตถุดิบที่ถูกจีโมห้าชนิดนะครับในพิซซ่าหนึ่งถาดอะอยู่อันดับห้าเบอร์เกอร์ก็ชอบอันดับหนึ่งไอซ์รีมก็ชอบคือดูแล้วงงเลยแบบเฮ้ยเซ็งเลยกินอะไรได้บ้างเนี่ยการขาจาัดสารพิษออกจากร่างกายโดยการใช้โภชนาการคือสิ่งที่วินกาลังจะมาแนะนําในวันนี้ใครอยากดูก็ดูตามสไลด์ไปได้นะครับเดี๋ยวขอไปเร็วๆนะครับวิธีการเนี่ย ก็เราต้องรู้ก่อนว่าสารอาหารที่เราจะใช้คืออะไรอย่างแรกนะครับวินขอพูดสามตัวอย่างแรกคือไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็จะมีละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำนะครับไฟเบอร์ไฟเบอร์นี้ดีมากๆเลยนะครับเขาแช์จะประสบการณ์ส่วนตัวเวลาเราท้องผูกวินแนะนำลองซัดไฟเบอร์เข้าไปสักสองสาเม็ดแล้วตามกินน้ำตามเข้าไปนะครับรุ่งขึ้นสบายแน่นอน ลองมาแล้วละลายน้ํากับไม่ละลายน้ําต่างกันก็คือ อ, อย่างของดีทไลท์ใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบเป็นเม็ดใหญ่ๆที่เราใช้เคี้ยวแล้วก็จะมีแบบเป็นผงทําหน้าที่ต่างกันนะเป็นผงคือพรีไบโอติกคือเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์เป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลําไส้ของเราถ้าเป็นเม็ดก็จะไปเพิ่มกา ก, ากอาหารปไปทําให้การดูดซึมของน้าตาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ใช่แบบยักเก็งเข้าไปอะนะครับมีอะไรครับ การเด็กเขาเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับคุณสมบัติของไฟเบอร์ก็เราสามารถดูในชีตได้มีอะไรอีกนะครับแหล่งไฟเบอร์ที่เราเห็นกันเม ก, กี้ก็เพื่ทั่วไปที่เราเห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเสริมพวกนี้นะครับมันมันถูกทําออกมาเนี่ยมันถูกทําออกมาในรูปแบบของเม็ดคือถ้าเรามองเราถ้าเรามองเป็นเม็ดเนี่ยเราจะแบบโห่เหมือนยาหรือเปล่า สุดท้ายก็อยากจะบอกนะครับเ ด, เดี๋ยวคอร์สต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยได้เรียนรู้มากขึ้นว่าอาหารเสริมของนิวทรีไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากออร์แกนิกแล้วก็มีการดูแลอย่างดีมากสุดท้ายมันคืออาหารสดดีๆนี่เองแหละมันคืออาหารสดแล้วเราไม่ต้องคํานึงถึงรสชาติไม่ต้องคํานึงถึงสี น, นึกออกไหมครับเชอร์รี่เวลาอร่อยเราเขาต้องเก็บตอนสีแดงๆหวานๆแต่นิวทไลน์นะครับไม่ได้เก็บเชอร์รี่ตอนสีแดงเขาเก็บตอนสีเขียวเพราะว่ามันให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการเยอะที่สุดแล้วก็เราก็ไม่ต้องสนด้วยว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับ ก็คือพอมันออกมาเนี่ยวัตถุดิบทุกอย่างที่ทํานะครับถ้าไล่ไปถึงเครื่องสําอางนะครับเครื่องสำอางเนี่ยเขาก็ยังใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเลยซีลิสติกก็ใช้วัตถุดิบจากใช้ดอกไม้ที่ปลูกในฟาร์มดิวเไรด์เนี่ยไฟเบอร์ที่เราควรทานต่อวัน25กรัมถึง3 25ถึง35กรมัมวิตามิน B โอ้ยนี่เยอะมากวิตามินบนี่สุดยอดมากๆนะครับ เข้าๆอ่ะมันจะมีหลายตัวก็หนึ่งสามหกเก้าสิบสองแต่ละตัวทำหน้าที่ต่างกันวิธีการเลือกกินอยากกินแต่ละอย่างให้มันเยอะนะครับสิ่งที่เราต้องการในจากวิตามินคือหลากหลายนะครับวันนี้วินมีชุดสาธิตมาให้ดูนะครับก็ขอคนถือไม้นิดนึงก่อนลงเนี่ยอยากให้ดูการทำงานของอาหารเสริมของเรานี่อะไรครับ นี่คือสมมุติถ้ามันเป็นลำไส้เรานะครับไอไฟเบอร์ I <c oughs> คือตัวอย่า <c oughs> <c oughs> ชนฟันไ <c oughs> ฟเบอร์ <c oughs> คือตัวนี้นะครับเม็ดมันจะใหญ่ใหญ่วิธีการของเราก็าคือตอนเราต้องเคี้ยวนี่คือน้ำมันนะครับในลำไส้ใหญ่เราก็จะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเป็นไม่ใช่ส่วนประกอบทั่วที่ครับเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยตามผนังลำไส้ครับผนังลำไส้เราเรียกว่าอะไรครับเคยกินโคลอนไ้ย ผนังลำไส้เราเนี่ยจะเป็นท่อยาวๆขดกันไปขดกันมานะครับแล้วก็จะมีเศษอาหารไปติดอยู่ตามผนังลำไส้ทาให้ร่างกายเราดู ด, ดซึมไม่ดีนะครับไฟเบอร์มีหน้าที่อะไรตรมูมให้บีนหน่อยได้ไหมคือแบบไหม่นี่แบบ <c oughs> <c oughs> คือครับ <c oughs> คือก็ตั้งใจในการตามมากเลยนี่คือวินอนุมานว่าเคี้ยวมาแล้วมันเลยเป็นผงนะครับให้ชัดเคี้ยวมา ชดดใช้ชัดบดให้อาเซตต์บมือให้ชัดหน่อยละเอียดมากเวลาเราทานไฟเบอร์เข้าไปนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยมันก็จะไปทําให้ไขมันที่ติดนึก้าพไม่กวาดนะฮะเอาไม่กวาด ไ, ไปกวาดพื้นอะ่ะแล้วฝุ่นที่ติดตามพื้นฝุ่นพวกอาหารที่ติดตามผนังลําไส้เราก็จะถูกกวาดไปกระบวนการทํางานมันก็คือไขมันเห็นไหมครับปกติไขมันกับน้ําจะแยกส่วนกันก้อนใหญ่ๆที่กําลังจะลงมานะครับ ไขมันถูกคุ้มนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอุจมระเราก็ตุ่มลงมาอันนี้ก็ลองปิดคออ่านะครับเฮ้จ อ, อกละการทำงานของไฟเบอร์คือแบบนี้ไฟเบอร์ได้จากอะไรบ้างผักพืชไม่ใช่พืชผักผลไม้ติดพืชเหรรผักผลไม้นะครับพวกนี้จะมีไฟเบอร์น้ําผลไม้มีน้ําตาลนะครับ ส้มหนึ่งผลเนี่ยที่เราทานเนี่ยวิตามินซีจริงๆแล้วมันอยู่ในเปลือกนะครับเวลาเราขนส่งมาเจอแดดเจออะไรนะครับกลายเป็นน้ำส้มเนี่ยมันเหลือวิตามินซีอาจจะหนึ่งปร์เ็นแล้วเพราะฉะนั้นแนะนําทานเพื่ออร่อยแล้วนี่คืออะไรครับนี่คือเบียนะครับอีกอย่างหนึ่งคือวิตามิน b ลองดูในสไลได์ได้ดูในกระดาษได้วิตามิน b ทําอะไรได้นะครับหนึ่งสิ่งที่มินจา่าที่ได้ดูคือการ <c oughs> <laughs> มันจะทําอะไรกับไอแอลกอฮอล์แก้วนี้ อุ้ย<ม>กลิ่นจมูกข้าวนี่คือวิตามินซีก็ขอบคุณชัดอีกแล้วนะครับบทมาให้อัพบบีครับเท่าทีครับใส่ลงไปนะครับเดีย๋ยวเราลองมาดมกันดูมันจะแทบไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลย <Yeah. S 1> เวลาใครอยากเที่ยวกังคืนไม่ใช่ดิเวลาใครจําเป็นต้องเที่ยวกันคืนแล้วไม่อยากเมาแนะนําให้ทานวิตามินบเข้าไปก่อนอ้ามันมีนะจําเป็นต้องเที่ยวกันคืนอะ่ะเพื่อนชวนปฏิเสธไม่ได้ <Okay. S 1> นะครับอ่ะขอบคุณให้บีหน่อยครับขอบคุณบีครับ ขอไล่สไลด์ไปเรื่อยนะครับคือเข้าๆ เ, เนี่ย B มันมีหลายตัว B ทำอะไรบ้างสร้างพลังงานช่วยนำพาสารช่วยผลิตเลือดการดูดซึมอย่าง Xs ที่เราเคยทานกันนะที่พี่ลินเอามาให้เราทานนะครับตัวนั้นคือ B12 ใช่ไหมครับวิยังไม่ได้นอนเมื่อคืนแล้วก็ตื่นไปทำงานเมื่อคืน Xs กับโปรตีนไปนะครับคือตอนนี้ยังอยู่ได้ง่วงไหมง่วงนะแต่ยังอยู่ได้ มีไรครับตับขับขับสารพิษวิตามินดวิตามิน B ก็ช่วยให้ตับขับสารพิษการเปิดเร็วๆหน่อยเปิดเร็วๆไปดูว่าบมีอะไรบ้าง B 1หนึ่งอ่ะเปิดไป B 2สอง6 B สามหกสิบสองเนี่ยที่บอกนะครับ B 9เก้าเก้าคือกรดโฟลิกนะครับ B 9เก้า็เกี่ยวกับเม็ดเลือก B 5ห้าแล้วก็ B รวมซึ่งในเนี้ยนิทีไลท์เขาสากัดออกมาเป็นเม็ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาที่ไหนวิตามิน B ได้จากไหนบ้างเรา เราไปศึกษาดูเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันยากมากเลยเนะ่ยที่จะกินวิตามินให้ครบครับเยอะเนี่ยไม่ยากก็แค่กินของเดิมๆซ้ําๆเยอะเดี๋ยวเยอะเองนะครับแต่ความหลากหลายที่เราจะกินเนี่ยไอไอรอบ ๆ, ๆ ร, อรอบๆที่ทํางานเราอ่ะรอบๆที่ทํางานวินก็อาหารที่วิน list มานั่นอะคือรอบๆที่ทํางานวินไก่นู่นนี่นั่นนะครับไก่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะครับ เราไปค้ร์ชดูได้นะครับคือเขาเหมือนกับเขาออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโ ต, ตแต่ว่าเป็นพันไก่ที่ถูกการปรับที่ถูกปรับปรุงทำให้ไก่เนี่ยสามารถนำมาทานได้โดยที่ใช้ระยะเวลาแค่ 30-40 วัน <ell> ซึ่งถือว่าเร็วมากๆครับสำหรับกระบวนการตางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะครับมีอะไรอีกส่งไปเลยกินมันจะเป็นวิต า, า mm. <c oughs> มิน B เยอะกว่าแล้วนะไม่แนะนาให้ชิมเดี๋ยวเมา ไม่ใช่นะครับก็คร่าวๆของประมาณนี้นี่คือเรื่อง detox นะครับคือวันนี้เวลาจํากัดมาเพราะว่าเพราะว่าพี่ลินอยากให้ทุกคนได้ดูไอ้หนังตะแก่นะครับแล้วเป็นไงดูสยดไม่ครับเนอะมันนึกไม่ถึงเลว่าเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มันอยู่รอบตัวเรานะครับแล้วแต่คิดว่าเป็นอเมริกานะครับประเทศไทยนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางได้รู้เรื่องพวกนี้หรอกวันนี้ก็ขึ้นมาเป็นก l o s s a r y ให้คร่าวๆว่าแต่ละอย่างคืออะไรให้เรารู้จักว่า GMO คืออะไร สารเลือดแดงเนี่ยอยู่ในไหนฮอร์โมนเรื่องการเจริญเติโตอาหารที่เรากินเนี่ยมีอะไรบ้างและวิตามินที่เราควรทานและการดีท็อกซ์เนี่ยมีแนะนําว่าทุกคนควรทําคือถามว่าใครควรทําบ้างครับเรานึกภาพตัวเองเป็นรถรถเราใช้งานมา20 3ปีไม่เคยล้างข้างในมาก่อนเลยวันนี้เราก็เหมือนชาลางข้างในโดยที่เราใช้โภชนาการนะครับเราไม่ได้ต้องส่วนตูดนะครับส่วนตูดได้แค่ลําไส้ส่วนท้ายแต่ นิวทรไลท์ของเราเนะี่ยสามารถดีท็อกได้อวัยวะทั่วร่างกายทุกอย่างแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมากหลังจากที่ดีท็อกนะครับว mm hmm. ินเคยทําพร้อมมามาแล้วครับ mm hmm. ถ้าไม่ดีจริงวิคงไม่ให้หมามาอแล้วก็ทําพร้อมกันแล้วก็คอยเตือนกันอย่า ก, กินของทอดนะอย่า ก, กินนู่นอย่า ก, กินนี่นะอ่ามีอยู่ในนั้นแล้วครับสูตรของการดีท็อกมีอย่างละเอียด น, นะครับก็เดี๋ยวขอบคุณขอขอบคุณพี่ลิงก่อนนะครับที่ให้โอกาสขึ้นมาวันนี้นะครับขอบคุณพี่ลินครับ ใครอยากรู้อะไรเพิ่มถามได้นะครับคือคอรสเนี่ยก็จะมีติดต่อกันสครั้งแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้อยากขึ้นมาเนี่ยวิญอยากขึ้นมาเพื่อบอกให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวๆ ว, ว่าเรากำลังจะฟังสิ่งที่พี่ลินพูดอะไรบ้างเราจะได้เข้าใจนะไม่ใช่ขึ้นมาแล้วงงเอ๊ะทไมจีเโไม่ดียังไงนะครับตะกี้ทุกวันนี้ทุกคนคงชัดเจนนะว่า G โไม่ดียังไง b u t เตอร์ไฟ f อฟเะครับนะครั บ, นะรบก็ไม่มี MC เนะ ก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจฟังเพราะว่าคนต่อไปจะขึ้นมาพูดก็คือพี่ลินซึ่งมีนว่าหลายๆคนรออยู่นะครับวันนี้ก็ทุ่มเทหนักมากนะครับรีเสิร์ชใหม่ทําสไลด์หลายๆอย่างนะครับเพื่อจะให้ความรู้ตรงนี้กับพวกเราแล้วก็ไม่ใช่แค่วินคนเดียวนะครับวินทําสไลด์ลดีท็อกส์เนี่ยพี่ลินก็ต้องมานั่งฟังแล้วก็ต้องมีอีกอีกหลายหัวข้อที่พี่ลินก็ต้องมานั่งฟังแล้วก็ยังไม่รวมอาร์ติสต์นะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะเพราะมีข้อมูลเยอะมากนะครับตะกี้แอบเห็นนะ ก็ขอเสียงปรบมือขอทุกคนลุกขึ้นยืนแล้วขอเสียงปรบมือให้พี่ลินนะพี่ลินและพันศรพลนักกงชาร์ทไม่เกิดแตกัลโหลมันมีแต่ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกขัดขวางระหว่างผู้ฟังกับคนพูดนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะอะดาราต้อง ปลุกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องสําคัญมากมเลยใช่ไหมคะก็คือมาเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องนะคะส่วนแรกสุดเลยนะคะก็คือว่าอ่านะคะก็อันนี้เป็นสไลด์ของเล่นนะคะเป็นของแถมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะคุยเล่าให้ฟังกันนิดนึงก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกินเวลาเยอะมากนะคะโอเคไหมคะพวกเราจากที่จากที่ส่องสองดูหน้าแล้วก็มีแต่เพื่อนเก่าทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือจะได้เบนด์อิสูงสุดในเรื่องของการในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเพื่อนใหม่มาแล้วจะไม่ได้เต็มที่แต่ว่าหมายความว่าวันนี้ลินก็จะพูดได้เต็มที่เลยและอยากให้พวกเราเนี่ยคือตั้งใจฟังมากๆเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังจะเรียนรู้อาจจะช่วยเหลือคนบางคนได้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้และลินไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในฐานะของการมีไรายได้มากขึ้นแต่ลินหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจจะทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นสุขมากขึ้น นะคะรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะคะก็เริ่มต้นเลยนะคะจริงๆแล้วลีนเน่ยเป็นคนที่หลายๆคนคือเห็นปัจจุบันเนี้ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบอุ้ยผิวมีออร่าแม่นะคะหรือว่าดูสุขภาพดีใช่ไหมคะไม่ค่อยป่วยคนอื่นเขาเป็นหวัดกันในช่วงหวัดระบาดเนี้ยนะคะหวระบาดกี่บาทห้าสิบตังค์นึงก็ไม่มีไม่เป็นนึกออกป่ะเออวันระบาดที่คนเขาเอาไปซื้อกันเต็มเลยใช่ไหมคะแล้วราคาอืมนะลีนไม่ซื้อนะคะ ก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นกับเขานะคะจะเป็นจริงๆนะคะก็คือเกิดขึ้นจากตัวเราเองเนี่ยจะทรมานร่างกายมากเกินไปเช่นนอนน้อยนะคะบวกกับการที่ไม่ยอมทานอาหารเสริมใหเม้เป็นปกติอาจจะแบบลืมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยต่อเนื่องติดกันสักสัปดาห์หนึ่ง2สัปดาห์นะคะก็จะเกิดสภาวะของการที่แบบร่างกายเราอ่อนแอแล้วมันก็โดยปริยายก็คือป่วยไปนะคะทีนี้เนี่ย ทำไมวันนี้นะคะในการเริ่มต้นการเรียนครั้งแรกเราจะมาเรียนเรื่องของการที่เราพูดถึงการกําจัดสารพิษนะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทําไมนะคะแต่ว่าอันดับแรกสุดนะคะก็คือให้เราทําความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องทางเดิอนอาหารเขาบอกอ้าปากกับอ้าจูดพร้อมกันนะคะลมผ่านได้เออนะคะมันทะลุต่อกันได้หมดเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่า <laughs> นะเราทําคงทําพร้อมกันไม่ได้เอาพี่เจมทำเนี้ย <laughs> ไม่อยากจะรู้ว่าข้างล่างทำอะไรอยู่ <laughs> นะคะก็อาการก้าวเข้าไปในปากเรานะคะเอางี้เขาบอกว่ามัน ม, ม, มีมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะทางทางเรื่องของชีวภาพของร่างกายคนเนี่ยถ้าถามว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์กินพืช ห, หรือกินสัตว์อ่ากินพืชอ้าวใครรู้บ้างว่าเขา อ, อะไรอ่าอ่าอ่าฟันลำไส้ยาว เอาฟันนะคะฟันก่อนฟันอันดับแรกสุดคือฟันของเราทื่อใช่ไหมคะการอ้าปากได้ไม่กว้างมากใช่ไหมคะเพราะถ้ากว้างมากก็คือเอาไว้งับคอสัตว์ตัวอื่นใช่ไหมคะอ่านะคะในภรรยาบางคนก็อาจจะมีความสามารถนี้นะ <laughs> เอาไว้งับคอสามีนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ก็นี่แหละก็คือเรื่องของการที่แบบมีเรื่องเล็กๆน้อยเช่นเล็บเราไม่ได้เป็นเล็บคมใช่ไหมคะเป็นเล็บแบนน ะ, ะลองสังเกตดูนะคะเรากับเรากับช้างอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันฟันทื่อๆใช่ไหมคะเห็นฮิโปไหมคะ อ่าแล้วสัตว์กินพืชเนี่ยค่ะต้องอ้วนค่ะ oh. ใช่เพราะฉะนั้นใครที่กินพืชเห็นสังเกตเคยเห็นสิงโตอ้วนไหมคะ oh. ไม่เคยที oh. ่โปอ้วนไหมคะอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างอ้วนไหมคะอ้วนนะเห็นไหมแลดอ้วนไหมอ้วนโอ้โห oh. นั่นแหละนะคะสัตว์กินพืช น, นะคะเพราะฉะนั้นใครกินพืช น, นี่ผิด <Maybe. S 1> เฮ้ยไม่ใช่ <laughs> ล้อเล่นนะคะก็ให้ลูกเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเหมาะการกินพืช น, นะคะก็มีแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยได้ปรับตามสภาพ ประมาณหลายล้านปีแล้วประมาณ3ล้านปีแล้วนะคะที่เราเริ่มทานเนื้อสัตว์นะอาจจะเกิดขึ้นจากแบบเก็บเกี่ยวไม่ทันบ้างปลูกไม่ทันบ้างหน้าหนาวหน้าร้อนบ้างยังทำกิมจิไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็ก็เอามาต้องมากินเนื้อสัตว์แทนนะคะแลพอทานเนื้อสัตว์แทนทานผลไม้ทานพืชนะคะมันก็เลยทําให้ร่างกายเราเริ่ม Ad ดแนเริ่มมีน้ําย่อยนะคะน้ำย่อยในส่วนของการย่อยเนื้อสัตว์นะคะก็นี่อก็อย่างสิงโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ย เขาจะมีกรดในกระเพาะที่สูงกว่าเราอเมนหมายความว่าเอ่อความเป็นกรดสูงกว่าเรานั่นหมายถึง pH ต่ํากว่าเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ในการที่เราเขาจะย่อยสลายเนื้อสัตว์ได้ง่ายจะไม่มีการเคี้ยวเกิดขึ้นเห็นฟันฟันสัตว์ใช่ไหมคะอย่างเช่นแมวเนี้ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าแมวเนี่ยจะฟันแหลมๆแล้วแหลมหมดทั้งปายแต่ของเราเนี้ยจะมีฟันทื่อๆอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วก็มีฟันเนี้ยเขาไปกัดผักอืมนะคะก็คล้ายๆกันอ่ะเฮ้ยรีโมทดับอ่ะเปลี่ยนหน้าให้หน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึง กลับอีกทีโอเคนะคะก็เราจะเห็นว่าจากการทานอาหารนะคะตรงนี้มีน้ําย่อยด้วยนะคะเอาไว้ย่อยคาร์โบไฮเดรตถ้าสัตว์กินเนื้อไม่จำเป็นต้องมีการย่อยคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีน้ําย่อยนะคะน้ําย่อยคาร์โบไฮเดรตฝีในปากนะคะลงมาที่ลําคอแล้วก็จะผ่านเข้าไปที่กระเพาะนะคะกระเพาะเราก็จะมีส่วนย่อยพวกโปรตีนเนี่ยสารพัดเรื่องนะคะ สอย่างเลยย่อยสามอย่างดูดซึมสามอย่างนะคะโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันด้วยนะคะแล้วก็มาที่ลําไส้เล็กแล้วก็ไปที่ลําไส้ใหญ่เพื่อดเรนเอาของเอ่อของเหลวออกนะคะโดยเอาของเหลวออกเสร็จปุ๊บนะคะก็จะไปผ่านการกรองผ่านตับนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือดนะคะออกมาทางอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะก็ไปปัสสาวะนี่จะไปทางไตนะคะโอเคสารอาหารต่างๆนะคะก็ถูกกระจายน ะ, ะสารพิษถูกกรองออกโดยตับ นะคะแล้วก็ดูดน้ำออกนะคะโดยลำไส้ก็จะไปที่ไตนะคะก็อันนี้ผ่านต่อไปนะคะนี่ก็คือโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเอากับกับระบบทางเดินอาหารของเราน ะ, ะตับนี่จริงๆแล้วเป็นอวัยวะที่ใหญ่มากไดนะ้ใหญ่อันดับสองรองจากผิวหนังอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตับพาตับเรามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะคะก็คือสามารถเจ n e r เติตตัวเองได้นั่นหมายความว่าเหมือนหางจริงจกอะถูกตัดออกเสร็จปุ๊บ ม, มันขยายตัวได้ แต่ว่าต้องมีปริมาณหนึ่งซึ่งเรนคิดว่ามันนั้นคือเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าถ้ามีเหลือแค่ยี่สบห้าเปซ็นก็สามารถส่้างตัวเองกลับคืนมาได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเินคิดว่าไม่เสี่ยงดีไหมคะโหไม่เป็นไรเรกตับใหญ่เนื่องไหมคะแบบเจ็ิบห้าเปซ็นหายไปยังกลับมาใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ส่วนที่มันเหลืออยู่นั้นมันติดเชื้อหรือเปล่าอ่านะคะอ่ะเปลี่ยนสไลด์นะคะ เอาละเรามาพูดถึงเรื่องดีท็อกซ์กันนิดหนึ่งนะคะสารพิษเมื่อกี้นี่เราเห็นแล้วใช่ไหมคะสารพัดเรื่องต่อให้ไม่มีสารพิษแต่ไม่มีอีโคไลอย่างเนี้ยจากเนื้อวัวใช่ไหมคะก็มีอะไรคะพลูชันสารพัชดชนิดถูกไหมอ้ะยปลาปลาก็มีจะบอพยายามีอะไรอีกพอมาลืมอืมเฮ้ยอ่ะนะคะ ก็สารพิษในน้ําที่มันว่าอยู่ได้นึกออกไหมคะมันก็ตุนอยู่ในนั้นแหละอยู่ตุนอยู่ในเนื้อมันนะคะอันนี้ก็คือ exotoxin ที่เราเรียกว่าเป็นเป็นสารพิษที่ออกมาจากภายนอกที่เรากินเข้าไปหรือที่เราหายใจเข้าไปที่เราหายหายใจทั้งกินทั้งดื่มทั้งซึมซับทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็มี e n d o t o x i ิน n d o t o x i n ก็พวกอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากระบบเผาผลาญอาหารของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งทกซินทั้งสองส่วน พัฟซิสองส่วนก็คือเรื่องของการย่อยย่อยสลาอาหารที่ย่อยได้ไม่หมดก็ได้นะคะบางทีเนี่ยอย่างเช่นกรดอะมิโ น, โนบางชนิดหรือโปรตีนบางชนิดอย่างเงี้ยนะคะที่มันไม่ได้อยู่ในอะไรนะกรดอะมิโ น, โนจำเป็นของร่างกายเราเนี่ยมันก็มีส่วนใช่ไหมคะเมื่อเราดูนะเฟสหนึ่งในการดีท็อกส์นะคะจะมีเรื่องของ B วิตามินอันนี้เนี่ยคือเป็นส่วนข้อมูลส่วนกลางนะคะสามารถเสิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตเลยแต่รินเอามาเพราะว่ารินอ่านอ่านด็อกิเมนต์ของของกลุ่มนี้แล้วรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันตรงตามที่เราอสอนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาใช้ขายโปรดักต์ของเขานะคะอ่า B วิตามินนะคะเกลือแร่ทั้งหลายนะคะ b i o f า a v o n o i d กรูธาไิโอนนะสารต้านอนุมูลอิสระเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะอ่านะคะ P450 e น z y m e อะไรพวกนี้คือแบบเอาเป็นว่าละเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นในเฟสที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนแล้วก็กรูธาติโอนอีกแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นว่ามีการต้านอนุมิสละเยอะมีโปรโตีนเป็นส่วนเกี่ยวข้องมีวิตามิน B เป็นส่วนเกี่ยวข้องมีน้ํามีเกลือแร่เป็นส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมคะพอเราดูกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราผ่านเข้าไปนะคะผ่านเข้าไปในเ ฟ, ฟสที่สองมันก็จะไปถ่ายเป็นอุจจระกับปัสสาวะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วเราไม่ได้กําจัดสารพิษเหล่านี้ออกก็จะเกิดความเสียหายกับเนื้อเยื่อของร่างกาย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ค่อยคิดกันว่าเวลาเรากินอะไรที่มันเล็ะเทะไปเนี่ยนะคะเนี่ยเวลาทนทานเขาก็คิดใช่ไหมคะว่าบอกเกอรี่หัวหนึ่ง99เก้าเซนซื้อไม่ได้แต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์หนึ่งอันสามารถซื้อได้ด้วยเงิน99เก้าเซนให้กินอะไรอะคะใช่ไหมชีสเบอร์เกอร์กินเสร็จล้วอิ่มเลยบอลอกเกอรี่กินแล้วอิ่มไหมคะไม่อิม่มแทนยังต้องไปทําทอีกใช่ไหมคะไม่ใส่กุ้งก็ไม่อรอ่อยจริงไหมโอ้โหแล้วซื้อกุ้งอีก นะกุ้งก็เป็นกุ้งอะไรคะเดี๋ยวนี้เลี้ยงทั้งนั้นเลยนะคะเลี้ยงทั้งนั้นเลยแล้วก็ในบ่อกุ้งนะคะก็แอนตี้แบคทีเรทั้งนั้นเลยเพราะกุ้งติดเชื้อง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่านะคะกุ้งก็ติดเชื้อง่ายปลาก็ติดเชื้อง่ายนะคะเพราะว่าน้ําเนี่ยมันสื่อถึงกันหมดอะ่ะพอเจอเชื้อโรคอะไรนิดนึงนะคะมันก็ไปกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะย่าย่าไม่นับไอ้เรื่องที่แบบ สารที่เราใส่เข้าไปในเรื่องของในดินพวกค่าวว่าชพืชพวกอะไรอย่างนี้เนี่ยที่มันซึมจากดินลงไปในน้ำที่บ่อปลาหรือบ่อกุ้งนั้นอยู่อีกมัาคงไม่ได้ทำในพลาสติกแท่งอะคริลิกเหมือนเหมือนอควเรียมใช่ไหมนะคะคงไม่ได้หรูหราแบบอควรเรียมหนาแบบเป็นคืบอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันมีสายอะไรที่มันสามารถซึมเข้าไปได้นะคะ นีก็คือเรื่องของการที่แบบถ้าสมมติว่านะคะระบบลําไส้ของเราและระบบตับไตของเราเนี่ยนะคะทํางานไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกําจัดสารพิษออกจากร่างกายนั้นมันจะกําจัดไม่หมดถ้าไตกระตับเราไม่แข็งแรงนะคะการฟอกไตคืออะไรคะการฟอกไตจริงๆแล้วคือการฟอกเลือดที่ไตไม่สามารถฟอกได้ปกติไตจะกรองทุกอย่างออกจากเลือดใช่ไหมคะพอกรองออกจากเลือดเสร็จแล้วมันก็จะกลับเลือดเราก็จะสะอาดเหมือนเดิมใช่ไหม ก็จะกลับเข้าไปหมุนเวียนเอาออกซิเจนไปส่งเอาสารอาหารไปส่งมันก็ส่งได้ปกติไม่งั้นปกติถ้าสมมุติว่าตายเราไม่ได้แล้วนะคะเสียหายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะคืออะไรตายเราก็จะขนเอาไอเลือดเราก็จะขนเอาไอสารพิษต่างๆที่ตับตเราไม่สามารถเอาออกได้แล้วมันก็จะไปส่งตามเซลล์ uh huh. ก็เหมือนเซลล์กินสารพิษใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยคือเรามาคุยกันในเรื่อง ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะอย่างที่อย่างที่พี่บีชอบพูดเรื่องดูตัวเองในระดับเซลล์แต่ว่าเราต้องมาดีท็อกซ์ตัวเองในระดับเซลล์เหมือนกันคือค่สาสมมติเราจะมอกว่าอย่างเช่นจริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวพอดีเวนเขาไม่ได้มีเวลาพูดเยอะเพราะเราแต่สินใจใช้หนังนะคะมันมีเรื่องวิธีการดีท็อกซ์หลายๆวิธีอย่างเช่นเราเคาด้ินเรื่องสวนกาแฟาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราเคาด้ินเรื่องแช่เท้า อ้าเขามีแบบนั่งแช่เท้าแล้วก็แบบออกมาเป็นสนิมเลยนึกออกไหมาแบบ ม, มันมาจากไหนวะ <c oughs> สงสัยไปเดินลุยอยู่แถว <c oughs> สีแยกตอนน้ําท่วมนะคะออกมานะะไม่รู้เหมือนกันนะคะขเขาก็มีวิธีของเขานะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าการที่เราทําอะไรที่มันผิดธรรมชาติร่างกายนะธรรมชาติไม่ทำร้ายธรรมชาติถูกไหมคะถ้าสมมุติเราทําอะไรที่ผิดธรรมชาตินะมันจะทําให้บอกเกิดของสิ่งอื่นๆเนี่ยกลับมาอย่างที่เราดูในหนังเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีอ็โคลายทำไง ไปหาเทคโนโลยีมากําจัดอีโคไลแล้วก็สร้างเรื่องให้มันบานปลายต่ออีกแล้วก็ไปแก้อีกด้วยเทคโนโลยีทีหนึ่งก็แก้ด้วยเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีเล่าเนะี่ยเหรอคะคิดดูนะคะร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เรากินยายาแก้ปวดคอแล้วกันกินยาแก้ปวดไขข้อนะคะถึงเวลาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทานไปแล้วเผลอทานตอนที่ท้องว่างเป็นโรคกระเพาะต่ออีกเนะี่ยเหรอคะคือเรื่องราวพวกนี้นี่แบบเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยจะมองกันนะคะ ก็คือสเต็ปที่ถ้าสมมติเราไม่ได้ดูแลเรื่องตับกระต่าเราให้ดีเนี่ยทุกสิ่งทอย่างจะย้อนกลับมาเข้ามาอยู่ในร่างกายเราในเลือดเราอ่ะต่อเลยค่ะอันนี้คือสภาพตับปกติสวยมากเลยใช่ไหมชมพูน่ารักมีติ่งเขียวๆอยู่คืออะไรคะเออถึงน้าดีนะคะอา้าวต่อไปอ่า น, นี่คือสภาว่าตับไม่ปกตินะคะมีไขมันพอกอยู่นะคะ อ่ะต่อไปค่ะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นภาพของ c h a ต t e r สต็นะสุดยอดมากยืมมาไม่มีลิขสิทธิ์อันนี้ตับทอดตับทอดเสร็จแล้วพร้อมกินนะคะแล้ <c oughs> <c oughs> วก็เกิดขึ้นจากอะไรบ้างคะการกินยานะคนชอบกินยาเหลือเกินนะคะใช่ไหมคะวันนี้นาร์มทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> เห็นนะคำานึงที่ขึ้นจอเลยนะแบบในในเน็ตเลยแบบีบนคือทำรีเสิร์ชหอันมาก อันหนึ่งที่ขึ้นจอเลยว่าสาเหตุของการเป็นอย่างเงี้ยของตับเนี่ยนะคะแอลกอฮอล์ไขมันพวกทรานส์ฟัทั้งหลายพวกซาเชเลตฟัซททั้งหลายนะคะอันดับสามก็คือพาราเซตามอลสุดยอดมากต่อเลยค่ะอ่าที่คือตับจริงนะคะอ่าั้งไขมันพอกด้วยทั้งดีฟอร์มด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ถ้าทางเจ้าของจะสงสัยตัด ออกเหลือ 25% เอาอีก 75% มาโชว์ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> ตับเราเนี่ยนะทำงานหนักมากเรจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสารพิษนะคะในร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปยาทุกยาทุกเม็ดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรเดียพวกแอนตี้บัลติกทั้งหลายที่เราทานยาแก้ค่าเชื้อเนี่ยเป็นสิวเนี่ยที่เราทานกันเนี่ยยาเป็นอะไรบ้างนะ โรแอคิเตนยาแก้อักเสบนะคะยาสารพัดยายังไม่นับนะคะบางคนอยากดูแลสุขภาพนะทําไงคะซื้ออาหารเสริมที่ทานใช่ไหมคะแต่กลัวเปลืองนะอยากดูแลสุขภาพแต่กลัวเปลืองเลยทํำลายสุขภาพตัวเองหนักกว่าเดิมนะคะโดยการทานอาหารเสริมที่เป็นอาหารเสริมสังเคราะห์ใช่ไหมคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาเราทานอะไรเข้าไปแล้วอาหารที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันบางทีมัญหาต้นตอไม่เจอเนาะอย่างนักเก็เนี่ยนะลินนึกไม่ออกเลยมันเป็นไก่ตอนไหนเนี่ยเอาไหมคะ อืมเนาะก็อยากให้พวกเราแบบลองคิดถึงสิ่งที่เราทานดูนะคะคือ you are what you eat นะคะแต่ว่าเรยนรู้ว่าชีวิตมันเร่งรีบวันนี้เนี่ยพี่มีมีไส้อั่วอร่อยมากอยู่หลังพคือจริงๆแล้วตอนที่รินถามว่ถามวินเอ้ยนี่อะไรบ้างเนี่ยวินบอกว่าอ๋อมีคนเขาเอาแบบของที่จะมาให้พี่รีนกินใช่ไม้ไมก็เห็นแซนด์วิชเห็นผักกะหล่ำปีแล้วแบบไส้อั่วชันอยู่ไหน วินบอกอยู่นี่ก็ อ, อยูนี่อ๋รีบกินเลยนะคือใช่โ อ, ช อ, อ๋ชอบปะชอบเดี๋ยวคนแรกวันก่อนนี้เลยไปกินอะไรวะชอบหนักเลยไม่รู้กินหลายอย่างได้มีคนกินอ่ะอบอร่อยเงี้ยหอยเชลล์กุ้งอูุนเส้นได้ไหมมีอะไรอีกผู้น้ำไหลไหลคือปากยังเหมือนกระเทียมมาถึงบัดเนี้ยนะคะ เพราะว่าแบบกินเข้าไปเยอะมากนะไม่ใช่เพราะว่ามันแบบวิสเตอร์ทํางานไม่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหน้าดูนะคะส่วนมาต่อมานะคะก็คือเรื่องของลําไส้ลาไส้เราเนี่ยนะครับาไส้อัวนะคะเหมือนนะเหมือนนะตัดเป็นท่อนๆอนอกมาใช้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่อาหารมาจากลําไส้เล็กใช่ไหมฮารก็คือม า, มาเป็นมาเป็นฟอร์มของของเหลวนะคะมันก็จะถ่ายเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วทีนี้เนี่ยตรงนี้คือไส้ติ่ง ถ้านหน้าอย่างนี้ใช้ติ๋งอยู่ขวามือนะคะสร้างก็ใครผ่าไปแล้วบ้างเป็นขเขาเรียกใช้ติ่งจริงเลยอ่ะคือไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะคะเล่นตัดออกไปตั้งแต่อายิบอดนะคะจนบัด น, นี้ยังมีชีวิตอยู่รอดมาได้ภูมิใจมากนะคะไม่เกี่ยวโอเคก็คือมาเป็นของเหลวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะถูกบีบ คือไอตัวตัวลำไส้เราเนี่ยนะคะลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมันก็จะบีบตัวแล้วมันก็จะเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนขึ้นไปในขณะนั้นก็จะดูดเอาน้ําออกไปใช่ไหมคะก็จะเหลือแต่กากใช่ไหมคแล้วก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆนะคะให้มันขดที่มันขดนี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันทิ้งเวลาให้เราได้ใช้ในการดูดออกให้หมดเนี่ยใช่ไหมคะคือมันเหมือนเหมือนหลอด UV ต้องผ่านแสงสี8นาทีไอ8วินาทีอะนะคะก็เพราะคือคือกันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นอุจจาระของเราแบบนี้ แล้วก็จะถูกบีบออกไปเป็นช่วงจังหวะเวลาเหมือนกันจริงๆดีเทลของมันนะคะว่าในช่วงเวลาไหนอะไรทาํางานยังไงแบบไหนเนี่ยนะคะมันก็จะมี biological clock ใช่ไหมคะเช่นตับเนี่ยทํางานช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเนี้ยนะคะก็คือเป็นช่วงที่ตับเราทํางานและแอคทีฟที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เป็นช่วงเวลาที่เรามั่จะมั่จะให้ตับพักใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะออกไปกินเหล้าแล้วเดี๋ยวค่อยให้ตับทํางานเวลาอื่นเพราะว่าเขาปิดผับกันตีสองไงเออนะคะวันนั้นเป็นวันที่เราให้ตับหยุดพัก นะคะอ่ะโอเคค่ะเปลี่ยนหน้าอันนี้ก็คือหน้าตาของมันภาพมันไม่ชัดมากๆเลยนะเพราะว่ามันมันเรสซลูชันมันเล็กมากปกติเนี่ยคือมันจะเท่าๆกันนะคะความกว้างความกลมทุกอย่างแต่เวลาเราเกิดการสะสมของสารพิษในในในลำไส้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นเนื้อ ง, งอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่านะคะเป็นเนื้อ ง, งอกก็ดีหรือว่าลำไส้ตีบคือดีใช่ไหมคะลำไส้ตีบ น ะ, ะเนี่ยบางทีมันติดผนังหนาขึ้นนะคะก็คือบางทีมันมีอะไรเกาะติดเยอะนะคะอเอาแบบนี้ไปโอเค <laughs> นะคะก็จะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคือมันจะมีโรคต่างๆที่ associated กับเรื่องนี้เยอะมากนะคะเราจะยังไม่ลงดีเทลในครั้งนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพขอ ง, ของ ท, ทางเดินอาหารของเราอะต่ อ, อค่ะอันนี้คือภาพ จำลองนะคะของผ้าลําไส้นะคะบางทีบิดต้องมัดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในการผ่าตัดแล้วก็จะมีเมือกอะไรต่างๆแล้วก็จะมีเนื้ององบางทีก็เป็นแบบพวกพวกสารอาหาร ท, ที่ที่เราพูดถึงการกินไฟเบอร์ทำไมถึงสําคัญไฟเบอร์มันต้องเข้าไปกวาดข้างในลําไส้ลําไส้ที่สะอาดจะมีหน้าตาอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นผ่านกล้องที่เขาสอดชุดเข้าไปในนะคะ อ่ะะะก็แล้วก็จะเห็นเนี่ยปกตินะคะนี่คือนี่คือผนังลำไส้ที่มันมีปัญหาอยู่นะคะก็คือตรงเนี้ยมันมีแบคทีเรียนะคะที่คอยโจมตีเรื่องเอเอเขาเรียกอะไรนะผนังของลำไส้ใช่ไหมคะไอ้ต็อกซินที่มันมาเนี่ยมันก็จะ คือไอตัวท็อกซินที่มามันก็จะเหมือนจะเป็นเชื้อราเป็นเชื้อซีสเป็นพอลิเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งท็อกซินออกไปในระบบเลือดของเราแทนที่มันจะดูดออกแล้วให้ตับไปกําจัดใช่ไหมคะเนื่องจากว่าผนังมันไม่ทํางานตามปกติเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งเรื่องราวพวกนี้ไว้ในลําไส้ต่อไปแล้วก็ออกไปเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะอาหารก็ไม่สามารถดูดซึมผ่านได้เรื่องแบบนี้เห็นง่ายๆเวลาเวลาเราท้องเสีย เหตุผลี่เราท้องเสียเพราะว่าลำไส้เราเนี่ยมันไม่ดูดเอาน้ําคือมันมีมันมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคมีอะไรอย่างนี้อยู่ในลําไส้เราใช่ไหมคะแล้วมันก็แทนที่มันจะต้องดูดน้ําออกมันไม่ดูดออกมันทํางานผิดปกติดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราปวดท้องเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เราท้องเสียออกมาพอเราขับสารพวกนี้ออกมาบางทีเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นต้องทานยาเราก็สามารถที่จะกําจัดไอเรื่องท้องเสียของเราได้โดยที่เราถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายจนหมด ใช่ไะแต่ที่สาคัญนะขณาดตอนถ่ายมีสตินิดนึงนะคะต้องดื่มน้ําเข้าไปด้วยนะคะถ้าสามารถทําเกลือแร่เข้าไปหรือว่าทานแคลเซียมน ะ, คะแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยในเรื่องในในร่างกายเราเนี่ยให้ทานเข้าไปทานด้วยอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการท้องเสียแล้วก็ช่วยให้เรากําจัดสารพวกนี้ออกไปโดยที่เราไม่สูญเสียแร่ธาตุและทําให้เราส่วนอื่นมันเจ๊งไปนะคะก็มีเรื่องของเอ่อถึงไหนแล้วเนาะเอ่ อ, เ, อ, อ, เ, อเปลี่ยนหน้านะคะ อ่าเดี่ยก็คือภาพของลำไส้นะคะที่มีปัญหาอีกแล้วนะคะดูแล้วมันก็นะคะก็คือการดูดซึมสารอาหารที่เราต้องการนะคะก็มันก็จะลดลงนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลระบบลำไส้ของเราให้ดีอ่าภาพต่อไปค่ะนี่ก็เป็นโรคประจํายอดฮิตของลําไส้น ะ, ะจุดเริ่มต้นเราก็จะเห็นพวกพวกการก่อตัวของเนื้องอกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจาก มันเกิดจาก Proces สหลายๆ process รวมกันนะเรนจะไม่ได้บอกว่ามันมีอันใดอันหนึ่งมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือว่าแค่คุณไม่ดีท็อกคุณก็จะเป็นโรคนี้ไม่ใช่นะคะเันจะบอกว่ามันมีส่วนผสมจากการทานอาหารการโภชนาการของเราในการกินอาหารของเรานะเป็นเรื่องสําคัญมากในการเลือกคือถ้าสมมุติว่าเราทานอะไรเข้าไปแล้วเราต้องสามารถหักล้างได้สมมุติเราชอบกินทุเรียนเราก็ต้องกินบังคุดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะคือมันมีหยินกับหยางอะ่ะ เรกินไขมันเข้าไปเยอะต้องชดเชยในการกินพืชเยอะขึ้นเงนี้ยใช่ไหมคะอ่านะเรากินโปรตีนทันอะไรเข้าไปเราก็ต้องทานวิตามิน B และทานอาหารเสริมที่มันช่วยในเรื่องของการย่อยโปรตีนนั้นให้ได้ครบถ้วนอ่านะคะต่อไปค่ะอันนี้คือภาพข้างในในการสองกล้องของลำไส้ที่ไม่ปกติน่าเกียด น, นะสุดๆเลยนะคะภาพต่อไปค่ะอันนี้คือลำไส้ปกติอ่าปิดท้ายอย่างนี้ให้เราดูรู้สึกดีขึ้น นี่ลำไส้ฉันเป็นแบบนี้ยินดีที่ได้รู้จักเอาไม่ใช่นะคะโ okay. อเคงั้นเรามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อ น, นะคะ่ะอันดับแรกสุดก็คือเรื่องของการเลือกอาหารเมื่อกี้นี้ที่เราฟังมาทั้งหมดใช่ไหมคะหลายๆคนก็รู้ไม่ได้รู้สึกว่าการทานอาหารที่เป็น G M O มีส่วนเสียหายยังไงมีความรู้สึกบ้างไหมคะ เพราเราก็เติบโตมาแบบนี้ใช่ไหมคะการทานอาหารที่ไม่ G M O แล้วมันจะต่างอะไรกับ G M O นี่ยหรอไหมคะก็เราก็มีให้ทานก็อิ่มท้องก็โอเคแล้วแล้วก็มาจากสารอาหารก็มาจากพืชมาจากดินจริงๆอ่านะคะมันไม่ได้มีข้อเสียหายที่เราเห็นนะตอนนี้นี่คือปัญหามันเหมือนกันในอดีตนะคะสมัยเมื่อปี70นะคะวิธีการลดความอ้วนที่ยอดฮิตที่สุดก็คือถ้าผู้หญิงอยากลดความอ้วนให้สูบบุหรี่รู้ไหมคะ ในยุคนั้นเนี่ยนะคะใครที่แบบอยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือสาวๆเนี่ยเขาจะแนะนําให้สูบบุหรี่เพื่อเป็นการลดความอ้วนแน่นอนสามสิบปีให้หลังค้นพบว่าบอกเกิดของมะเร็งลอกโรคปอดเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่เยอะมากถูกไหมค ะ, ะบางครั้งนะคะเราไม่รู้ว่าผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพื่อนจําคํำนี้ไว้เลยว่าธรรมชาติไม่ทําลายธรรมชาตินะคะการสูบบุหรี่นะคะไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมชาติถูกไหมคะ อืมนะปกตินะคะเราก็ไม่ได้ไปเอาใบไม้มาจุดสูบใช่ไหมคะอ่ามันเป็นวิธีการเสพอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ปกตินะคะเราก็ไม่ได้กินดื่มเข้าไปทำทำธรรมาดาน ะ, ะอ่ะทีนี้ถ้าเราลองคิดดูวันนี้เนี่ย GMO มีผลยังไงบ้างคือ GMO เนี่ยเป็นการตัดต่อและตัดแต่งพนันธุกรรมจะตัดต่อเอาส่วนไหนที่มันไม่ดีของพืชตัวหนึ่งหรือพืชชนิดเดียวกันกับพืชคือหลายๆสายพันธุ์เนี่ยเอามารวมกันก็ได้ ซึ่งพันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรคะยางเฉลิมเพืชนอะไรสักอย่างรู้จักยางพันนี้ไหมเพื่เอเรียกยางอะไรนะคื อ, ค, อคือเหมือนกับเป็นเป็นยางส่งมาจากเบื้องบนเป็นพันยางที่ตัดต่อออกมาเพื่อให้ยางเกิดในภาคอีสานได้ทนแล้งได้เนี้ยค่ะซึ่งปกติยางมันต้องเกิดในที่ชื้นใช่ไหมคะอ่าทีนี้เนี่ยนั่นคือพืช แล้วยางก็คือยางเนื้อไหมคะเราก็ไม่รู้ว่ายางมันต่างกันยังไงเนื้อไหมไม่แค่ท่งยางโยโกฮามะอะยางคุดเยะเลยยังไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงเนึ้อไหมแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าให้ยางพันลอเก้ากับแล้วยางพันสามแปดหกนี่มันต่างกันยังไงเลยไม่รู้เหมือนกันแล้วสรุปแล้วยางคือยางแต่ของเราอะคะมีอะไรต่างกันนะคะนี่จะเปรียบอย่างนี้นะคะเวลาเราเราอันนี้คือเป็นเรื่องที่ยังยังคงค้างพิสูจน์แต่ว่าค่อนข้างชัวนะ คือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราฟังเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องเช็คข้อมูลใหม่อีกหปีสิบปีข้างหน้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนทั้งสุดท้ายที่รินสอนนิวทีไรนะคะเป็นปีสองพันหกไฟไฟเสียงที่อัดเอาไว้แล้วก็มีสอนอีกครั้งหนึ่งมาไม่นานวันนี้ประมาณสามปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆที่รินมาสอนครั้งนี้นะคะก็คือประมาณสองพันสิบก็ทั้งหมดทุกสามสอนปีสอนทีนึง จะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆรายละเอียดที่มันเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพนะคะแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เรนจะสังเกตเห็นนะคะวิธีในสิ่งที่เราแนะนําในการดูแลสุขภาพนะยังไม่เปลี่ยนสักทีทั้งๆ ท, ที่สาเหตุการเกิดโรคหรือเรื่องราวต่างๆพวกเนี้มันยังคงเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆการวิจัยและค้นพบแต่สุดท้ายก็แก้วิธีเดิม เพราะฉะนั้นนั่นกพิสูจน์ได้ว่าวันนี้ไอ้แก้วิธีนี้เนี่ยมันก็มันก็ยงคงได้ผลอยู่เพราะว่าตั้งแต่ว่าครั้งแรกที่รนเรียนมาในปี2004อามาสอนถึงปี2006แล้วปี2009ก็มาสอนอีกครั้งหนึ่งะแล้วตอนนี้ปี2013ก็มาสอนอีกครั้งหนึ่งยังไม่มีข้อมูลไหนที่หักล้างวิธีในการดูแลสุขภาพของเราได้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมนิวทรีไรต์อยู่ได้มา78จ ะ, 70, จ ะ, จ ะ, จะ80ปีใช่ไหมคะอ่า นะคะก็เป็นเรื่องของการเ อ, อเป็นเรื่องของ GMO ต่อนะคะ GMO ต่อเลยจะอธิบายว่า GMO เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ยังไม่ค่อยเคลียร์แล้วออร์แกนิกต่างยังไงกับ GMO อืมพูดจริงนะคะออร์แกนิกนี่มีเดนิฟิเคชันกว้างมากในการที่เราจะบอกว่าออร์แกนิกร้อเซไม่ร้อเอร์ซนี่ยมีออร์แกนิกประมาณเท่าไหร่มีส่วนไหนเป็นออร์แกนิกนี่ก็แยกออกไปอีกนะ เพราะฉันบางคนที่บอกออร์แกนิกบางทีมันก็ไม่ออร์แกนิกร้ออร์เ็บางทีมันแค่ออร์แกนิกสิเซ็มันก็บอกออร์แกนิกแล้วและ GMO นะคะถ้าไม่ GMO ไปเกือบร้อยเปอร์เซนมันก็ไม่ต้องเขียนว่า GMO เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในท้องตลาดเนี่ยตั้งแต่เค็ปชับไปถึงน้ำปลาน้ำซอสน้ำซีอิว น, น, น้ำปลาทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วนอะไรก็ตามที่มันมีส่วนที่เป็น GMO อยู่แล้วถามว่า GMO มีข้อเสียหายยังไงนะคะคือความหลากหลายทางพันธุ ก, กรรม เมื่อกี้ที่เรนพูดว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ก็คือพวกเราทุกคนในโลกนี้ประมาณที่ไม่ใช่อยู่ในแอฟริกามาจากชนเผ่าเดียวในแอฟริกานี่คือสิ่งที่เขาค้นพบว่าค้นพบว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมาจากสายพันธุ์จากหมู่บ้านหมู่บ้านนึ่งเหมือนคนจีนในประเทศไทยมาจากชัวเถาอะมาแม่งขยายเต็มประเทศเลยเนะอะหกสิบกว่าล้านคน แต่ที่หมายความก็คือไม่มีชนเผ่าหนึ่งนะคะในแอฟริกาที่ละหกละเหเลร่อนออกมานอกแอฟริกาแล้วก็มาขยายพันธุ์เป็นคนที่ผิวต่างกาันสีผมต่างกาันทุกอย่างต่างกาันในเวละยะเวลาหลายสิบล้านปีแต่ว่ามาจากเผ่าเดียวนี่คือเหตุผลว่าทําไมร่างกายเราทุกคนอ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะสุขภาพเราน้อยลงเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าไปประเมินประเมินเรื่องราวนี้ไปเทียบกับทางพุทธศาสนา พระเจ้าบอกว่าตอนนี้เราอายุร้อยปีแล้วเรากำลังจะอายุสั้นลงจะเหลือสิบปีอะคืออายุ lifespan ของเราจะอายุเหลือสิบปีแต่ว่าอีกหลายพันปีข้างหน้านี่เอาไหมคะก็ะคือมันก็คือจะห ด, หดหดหดลงไปเรื่อยๆแล้วอีกจะมีอีกสักพักหนึ่งที่เราก็จะอายุยืนเป็นหมื่นปีเหมือนกันอ่าอันนี้เขาบอกว่าไม่รู้เนี่ยไม่เชื่ออย่ารบหลูนะคะแล้ววันที่แปดหมืนปีก็จะมี พระอริยะสีเมตไตร่าเกิดอ่าอันนั้นก็คือคงไม่อยู่ทดสอบอวันนี้วันนี้ดูแลสุขภาพก่อนขอให้อยู่ถึงข่าสักแปดสิบแล้วตายแบบไม่ทรมานเป็นใช้ได้นะคะโอเคค่ะก็ก็เป็นเรื่องของของความหลากหลายทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราทานอะไรเนี่ยลองคิดดูเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยคือรินเปรียบที่ได้ฟังว่าเหมือนเราแต่งงานกับพี่น้องอนันึกออกไหมคะแล้วเวลาแต่งงานกับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกพิการใช่ไหมคะปัญญาอ่อน นะเพราะว่าไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่สามารถชดเชยส่วนด้อยของตัวกันและกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไมทําไมเราไม่ควรที่จะทานอะไรที่มันซ้าๆๆๆเดิมๆเพราะว่าพันธุกรรมของเรามันซ้ําอยู่แล้วอ่ะคือพวกเราก็มาจากเผ่าเดียวกันหมดเลยจริงๆแล้วเราเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยใช่ไหมคะไถล้องอุ้ยนะคะแล้ก็มาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันหมดเลยนะคะแล้วเราก็มา กลายไปไเรื่อยๆจากการแต่งงานคนนั้นคนนี้มันไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแตลกไหมคะทำไ ม, ค, ไมคนทางเหนือเขากว่าคนทางใต้อะไรอย่างเงี้ยมันแค่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันเท่านั้นเองนะแต่จริงๆแล้วทางพันธุกรรมเราก็ไม่ต่างกันมากเหมือนกันเวลาวันนี้ถ้าเราทานอาหารเนี่ยถ้าเราทานถั่วปักยาวที่มีพันธุกเดิมพันธุกรรมเดิมกินกินกินกินกินกินแล้วเราไม่กินผักอย่างอื่นเลยก็ไม่ได้อีกถ้าเราทานผักแค่ชนิดเดียวสีเดียวก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องทานห้าสีถึงจะได้ เราก็ไม่สามารถที่จะทำกินเนื้อสัตว์อยู่ประเภทเดียวใช่ไหยคะกินสัตว์บกอย่างเดียวกินสัตว์ทะเลอย่างเดียวหรือว่ากินสัตว์ไม่รู้ว่าหรือว่าไม่กินเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าสิ่งที่มันมีในใ น, ในท้องตลาดให้เราทานเนี่ยมันไม่มีความหลากหลายมากพอและเมื่อมันไม่มีความหลากหลายมากพอเมื่อนั้นเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างในในในสารพันธุกรรมของเราก็คือ DNA ถ้า DNA ของเรามันไม่มีตัวมาเสริมอะคือ DNA เมันเป็นดับเบิลฮีเลใช่ไหมคะเป็นเกลียวคู่ถูกไหมคะเกลียวคู่มันจะมีเหมือนกับมีมีตัวเชื่อมกันสองตัวสองคอมบิเนชันนี้มีความแตกต่างกัน นะเสร็แล้วมันก็จะคู่กันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นเกลียวขดเป็นเกลียวหรืออยู่ในนิวเคลียสของเราถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวมาซ่อมแซมมันในการขยายพันธุ์ของมันออกไปมันก็จะไกลพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วมันไกลพันธุ์ไปเรื่อยๆก็เริ่มทำให้ระบบภูมิทัณฑ์เราไม่ดูแลตัวเองได้เพราะว่ามันมองมันจําไม่ได้ว่าไอ้นี่เป็นใครเมื่อไห้่คะเหมือนเราแต่งงานออกจากบ้านไปอยู่เมืองนอกเสร็จหลานกลับมานี่แกเป็นใครไม่อยากไม่เข้าบ้านเนี้ย ประมาณนั้นนะคะก็เนี้ยแหละคะ่ะก็คือเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เราต้องให้มันซ่อมแซมเดี๋ยวเรื่องนี้จะเรียนละเอียดมากขึ้นในครั้งหน้าเพราะครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะภูมิคุ้มกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโลกของเรื่องของโรคเสือ่อมและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องโรคอ้วนและความสวยงามความไม่ใช่ความสวยงามของโรคอ้วนนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคก็เพราะฉะนั้นเนี้ยก็คือในเรื่องเนี้ยสิ่งที่เรา สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการความหลากหลายของอาหารและอนุกรรมแล้วเมืนะม่อกี้นี้เนี่ยก็คุยเมื่อวันก่อนนี้คิดก็ทํารีเสิร์ชคือพวกเราทีมนิวทรีไรต์ก็สุดยอดมากเลยเขาทำรีเสิร์ชเสร็จก็จะมาแบ่งปันให้ใกล้ทีมอาร์ติสต์เราก็มาแบ่งปันกันนะคะคิดเขาก็พูดถึงเรื่องหนึ่งว่าทําไมหมอถึงไม่ยอมให้ทานอาหารเสริมอ่าหมอส่วนใหญ่นะคะไม่เอาหมอในธุริกเกอรเว่ยเนาะนะคะหมอทั่วไปตามท้องตลาดนะคะตามโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็จะไม่แนะนําให้ทานอาหารเสริม ด้วยสาเหตุที่ว่าจริงๆแล้วลินก็เราก็คุยกันเนี่ยพี่กีก็ให้คําแนะนํามาเรียว่าดีมากๆเป็นเรื่องจริงมากๆเพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยนะคะมันมีอย่างเมื่อกี้นี่เราเห็นใช่ไหมคะจากข้าวโพดได้อะซิโตนิกแอซิดอะซิโตนิกแอซคือ ว, วิตามินซแล้วสกัดวิตามินซได้จากข้าวโพดด้วยโอ้โหสุดยอดมากมันทำทำได้ทุกอย่างเลยเข้าวโพดเนี่ยจ้างมันทําความสะอาดบ้านหน่อยด้วยนะคะทำได้หมดทุกอย่างเลย โอ้โหเมื่อกี้เห็นแบบเหตล l i s ์รายการที่มันขึ้นมาหลังจากที่มันนอกเหนือจากที่มันพูดอ่ะยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็เป็นเรื่องจริงนะเดินไปที่ซูเปอร์นะคะถุงอาหารขนมอะไรพวกนี้ลองไปดูสิ uh, high fructose corn syrup หรือไม่ก็เป็น soy product อย่างเงี้ยมีสองอย่างแล้วก็เห็นการตัดต่อทำธุกรรมแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. อ่านะก็ต้องใช้พันของเขาเพราะว่ายาฆ่าแมลงของเขายาฆ่าวัชพืชของเขา จะเหมาะกับพืชชนิดของเขาแล้วถ้าใช้กับพืชชนิดอื่นก็ไม่เวิร์กใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดปลูกพืชชนิดอื่นแล้วไปใช้ไอ้พวกนี้ก็ตายหมด <Okay. S 1> ตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนในสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยอะตอนที่เรีย น, นจบชีวเคมีมาจาก UCLA น, ะะนั่นคือความไฝฝันเลยหรือะความไฝฝันคือจะมาเปิดสถาบันไบโอเจนติกเอนจิเนียริ่งเพื่อที่จะมาช่วยเกษตรก ร, กรในเรื่องของการปลูกพืช ใช่ไหมหมอเข้ามาในนิวทไรไลท์แล้วรู้สึกเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหมคะว่าทำไมหมอถึงห้ามทานอาหารเสริมพูดจริงนะคะการการผลิตนะคะเรื่องของการวิจัยวิเคราะห์แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งปริมาณแล้วก็สารพิษที่ตกค้างอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์เองหมอไม่สามารถบอกได้ว่ากินปริมาณไหนจะปลอดภัย เพราะฉันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าหมอไม่เห็นด้วยกับการกินหมอก็บอกว่านั่นแหละต้องกินห้าหมู่แหละต้องกินห้าหมู่ถามถามตัวเองตรงๆนะคะวันนี้เนี่ยนะคะใครทานผักครบอูห้าสียังยากเลยพี่เอาสีเดียวเนี่ยนะเอาให้มันครบตามปริมาณที่ต้องกินเมื่อกี้นี้เขาบอกไฟเบอร์ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้ากรัม <laughs> ถามจริงเอ้ยยี่บห้าสมห้ากรัมหนักเท่าไหรอ่อ่ะ ประมาณได้ไหมคะถ้าสมมุติลินให้ให้เอาอะไรวางไว้บนมือแล้วบอกว่านี่คือกี่กรรมคุณบอกได้ไหมแล้วเวลาเอาเข้าปากเนี่ยรู้ไหมว่ามันกี่กรมรมแล้วรู้ไหมว่าได้แล้วเนี่ยคืออันไหนเป็นละลายน้ําอันไหนไม่เป็นละลายน้ํานี่ยหรอไหมคะน่า ก, กลัวมากวิตามินบอีกอย่างนะคะอยู่ในผักชนิดชนิดไหนบ้างหรอคะได้ยินผักขมใช่ไหมคะอีโคไล <laughs> ใช่ป่ะอยู่ในจออีโคไลเออนะน่ารักมากชื่ออีโคลี่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็เราไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากเลยที่เราจะมาประเมินว่าเราจะทานอาหารให้ครบมือได้ยังไงเรามั่นใจได้ยังไงอะเรามั่นใจได้ไงว่าเราไม่กินแป้งเกินแล้วแป้งที่เรากินเนี่ยสิ่งเดียวที่เรามั่นใจได้คืออะไรรู้ไหมคะเป็นเป็นข้าวถ้าสมมติเทานข้าวเนี่ยเป็นข้าวขัดสีค่ะ มั่นใจได้แน่นอนว่ามีคาร์โบไฮเดรตล้วนๆแล้วลไม่มีวิตามินเลยสุดยอดสุดยอดน ะ, ะไม่ต้องสงสัยไงข้าวนี้มีวิตามินไหมไม่ต้องสงสัยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลินจะแนะนํานะคะให้พวกเราเนี่ยทานนะคะให้ทานพวกโฮวีดนะคะทานข้าวไม่ขัดสีทานข้าวกล้องข้าวกล้องดูเหมือนไม่อร่อยแต่จริงๆแล้วต้องทานไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้เ ว, วาลาทานข้าวขาวแล้วนะคะก็จะรู้สึกเฉยๆมากเลย อืข้าวกล้องกับไอคุกสุดยอดมากนวาะว่าเราผสมพวกข้าวกล้องงอกเข้าไปอีกครึ่งถ้วยกับตอนหนึ่งต่อสี่แล้วก็ไปหุงในหม้อไอคุกนี่ข้าวมันจะแบบเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยอะหนึบหนึกอเนืเอ้อหอมแบบปั้นซูชิได้อ่านะคะต่อเลยค่ะอ่านะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้เราก็คุคุยกันถึงเรื่องตักต่อทางพันธุกรรมนะคะแหล่งที่มาที่มั่นใจของอาหารเสริมเอ้ของอาหาร อาหารเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีทางที่เราจะทานพออันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ลินยอมรับจริงนะว่าคือเมื่อก่อนนี้เราก็คิดว่าเราเป็นคนกินเยอะแล้ว เ, เป็นคนกินหลากหลายนะคะเวลาลินไปแต่ก่อนนี้จะมีไปรินชอาไปมารุใช่ไหมคะ mm hmm. มารุเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่จะบินเอาอาหารญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเนี่ยทุกวันอังคารและวันศุกร์สุดยอดมากเลยมันเป็นกระเป๋าอะไรนี่หรอแม่แล้วลินจะไปแต่เช้าเลยเพราะว่าเราจะได้เลือกก่อน นะก็จะมีกระเป๋าเดินทางแบบเป็นกระเป๋าแบบ c a อ r เงี้ยเพราะว่ามันคงจะไม่รู้มันมาแพ็คมากับน้นําแข็งอย่างดีเลยนะมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดดูแลเราก็จะมี lobster ที่มันอยู่ในถุงกระดาษและมีขี้เลื่อยอยู่มันก็ยังงามงามงา ม, งามอยู่อย่างนะางี้อ่า lobster มีไก่ดิบเงี้ยโอ้โหนี่ทีเด็ดมากเพราะปกติไก่เรากินดิบไม่ได้นะเพราะว่าจะมี salmonella ก็คือพยาาชนิดหนึ่งใช่ไหยอ่านะคะเป็นแบคทีเรีย อ่าและมีซาเบเนร่าอยู่เราก็จะกินดิบไม่ได้แต่ว่าไก่ของญี่ปุ่นเนี่ยในวิธีการเลี้ยงของเขาคือเขาจะเลี้ยงแบบเหมือนเขาเลี้ยงอาเบียรให้วัว ก, กินอย่างนี้นะเอาไหมเขาก็จะค่อยๆป้อนข้าวให้ไก่นะเอาไหมทีละตัวตัวมันจะเล็กๆแล้วก็เอามากินดิบได้อร่อยมากนะคะอ่าแล้วก็บินมานะคะแล้วก็กานมีปลาปลากระเป้านะคะมีปลาอุย้ยเดินกินปลาหลายชนิดมากไปกินกินข้าวมื้อหนึ่งกินปลาได้ประมาณแปดชนิด อ่านะคะกินหอยนางลมญี่ปุ่นแล้วโอ้โอร่อยมากอ่ะคือชอบทุกอย่างเลยนะคะแล้วเราก็บอกตัวเองว่าฉันทําเพื่อสุขภาพอาทิตย์ละสองวันต้องไปกินปลาสักแปดชนิดเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะนะคะก็แล้วเราก็ไปแล้วก็ทานอย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือคือเชฟมันก็แสบมากเชฟนี่เป็นหุ้นส่วนร้านทวกเนี่ยคุณดีนะดูแลสุขภาพเนี่ยกินปลาดิบอย่างเงี้ยดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราควรจะทานอาหารดิบ แต่เราอะไปเริ่มทําอาหารสุกใช่ไหมคะการทําอาหารสุกนะคะมันก็คือทําให้คุณค่าทางอาหารก็เสียไปด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทานสุกก้าไหมคะไม่กล้าหรอกคะ่ะวันก่อนนี้ <laughs> ไปเฮาส์มิทติ้งของกันน่ารักมากของของนั่น <laughs> ก็ทอดอกไก่อ่ะสันในไก่คือสาธิตว่าไอคุกใช่ไหมคะแล้วมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันยังชมพูชมพูอยู่มันก็หยิบชิมไปคํานึ่งโอ้อยอะไม่ไหววะกันไก่ไม่สุกกันก็หยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บมองกินเข้าไป เคี้ยวการทำอะไรอะ่ะทํำลายหลักฐาน <laughs> <laughs> <laughs> โอ้ยไม่เกี่ยวลเลยดูทีไรเลยโอเคค่ะอืมอ่เรนจะบอกว่านี่ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือเราในชีวิตประจําวันของเราเราไม่สามารถที่จะทานสารอาหารให้ครบทุ่นตามที่ร่างกายเราต้องการได้แต่เราสามารถทานอาหารที่เราอยากกินได้นะใช่ไหม วันนี้โอแต่ว่าหลังจากที่ทำ Research ize, ํำรีเสิร์ชนิวทีไรเสร็จปุ๊บนะคะวันนี้ก็น้องน้องน้องแตก็ถามว่าวันนี้พี่ลินจะกินปักกิ่งไหมคะร้านอาหารจีนถัดไปตรงนู้นตรงสุทธิสารลินก็เข้าผัดใส่หมูใส่ไข่ใสข่ข้าวข้าวขัดสีโอ้ตาละขาหมูตุน๋นโอ้ตาแม่อา้าแม่อา้าเป็นใจเป็นใจอยากกินเวียดนาม <laughs> จะได้กินผักเยอะขึ้นนะคะมีผลกระทบจริงๆนะในการเรียนรู้ทําให้เราเปลี่ยนไดเอททันทีเลยใช่ไหม พูดถึงหมูแบบหนึ่งพอพูดถึงขาหมูแล้วนึกขึ้นได้คือบางครั้งเนี่ยเราก็มองเนี่ยหลายๆคนนะคะเคยดูวิดีโอดูหนังเรื่องฟู้ดอิงเนี่ยแล้วก็บอกเลยว่านั่นมันอเมริกาเนี่ยเหร อ, อไหมคะมึงไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือบอกมืองไทยกว่านั้นอีกจริงๆแต่ว่าบทพิสูจน์เรื่องหนึ่งนะคะก็คือมีน้องคนหนึ่งบ้านเขาอยู่ใกล้โรงเชืิญหมูอะ่ะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่า คือเราก็สงสัยนะทําไมขาหมูมันเยอะเยอะก็รู้หมูมีขาสี่ขาแต่ทําไมขามันเยอะจังเลยนึกออกว่าไปร้านไหนก็มีขาหมูเอานี้แหละห้างสรรพสินค้าทุกห้างนะคะในฟู้ดคอร์ทต้องมีร้านขายข้าวขาหมูแล้วเใกหม้อ น, นั้นต้องมีขาหมูอย่างน้อยสี่ขาหมูมันตายกันทันเหรอนึกออกว่าให้มันมีขานะั่นนะ่ะมันตายกันไม่ทันรู้ไหมเขาว่าเขาทําไงเขาตัดเอาขาหมูไปข้างหนึ่ง แล้วก็เอาไม้เนี่ยมาค้ำไว้แล้วอ็อก<ว>คือเขาเขาจะอ็อกเอาไฟเผาอ่ะเพื่อให้เลือดมันหยุดอะ่ะเห้ือขอไหมคือตัดไปชุบเสร็จก็เผาแล้วก็เอาไม้มาค้ำไว้แล้วก็ให้มันอยู่เฉยๆเพราะมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วมันแน่นไปหมดเลยข้อกบัวให้ข้อหมูมันก็แน่นอยู่ไงนะมันก็ขยับไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแล้วหมูก็ไม่ค่อยอยากขยับอะ่ะมันก็อยู่มันอย่างงั้นอะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งนะคะมันก็ตัดอีกขาหนึ่งแล้วก็ เอาไฟพอกลนเสร็จแล้วก็เอาไม้มาค้ำไว้เหมือนกันจนในที่สุดแล้วขามันหมดแล้วเนี่ยมันก็ค่อยตายนึกออกไหมอืมหรืว่าแบบอือหเมื่อไรกินขาหมูคิดหนักมากเลยเนาะจริงๆอยากทำข้าวขาวหมูให้พวกเรากินนะแต่แบบนึกถึงภาพนี้แล้วก็กินหูฉลามแทนแล้วกันเฮ้ยคือ <laughs> รู้เรื่องหูฉลามใช่ไหมคะ อันนี้ก็อันนี้คือเรื่องของเรื่องของการไม่เขาเรียก อ, อะไรนะเป็นเรื่องของการทรมานสัตว์มากกว่าก็คือเขาจะจับฉลามขึ้นมาจากทะเลแล้วก็ตัดเอาครีบมันออกอ่ะแล้วก็โยนลงทะเลต่อโยนไปมันว่ายน้ําไม่ได้ละแล้วปลาฉลามมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือปลาฉลามนี่หยุดว่ายน้ําไม่ได้ถ้าหยุดว่ายน้ําจะจมอืมนะคะเขาเกิดมาเพื่อว่ายตลอดเวลาสามารถว่ายได้ในขณะหลับไม่หรอกมันก็แบบจอดนิ่งอยู่ แต่ว่ามันต้องมีครีบอะค่ะมันต้องว่ายเพราะมันไม่หายใจไม่ได้โอเคนะคะก็เอ่อเรื่องราวของการกินนะคะออกไปเสร็จแล้วพวกเราก็จะพร้อมกันเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะไม่กล้ากินอะไรเลย <c oughs> ไม่อย่างไก่อย่างเงี้ยนะคะไก่นี่แบบตัวแสบเลยน ะ, ะอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะเมื่อกี้นี่ในในวิดีโอเห็นไหมคะที่เขาดูว่าทําไมจะต้องถ้าเชือดไก่ได้ในสี่สิบวันทําไมต้องรอสามเดือนอะ่ะ <c oughs> มันก็จริงอะเนาะในแง่ของธุรกิจอะ แต่ในแง่ของเราเราก็มีความรู้สึกโอ้โหน่ากลัวมากเลยจริงมากนะคะแล้วก็ในการเจริญเติบโตแล้วไก่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่มันต้องอยู่มืดๆตลอดเวลาเนอะไหมอยู่มืดๆเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับมันจะนอนอ่ะมันก็จะนอนของมันไปเรื่อยๆนอนมันก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมมันก็กินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะเชื่อดเรียบร้อยไก่ออกมาตัวเท่ากันหมดไปดูแพ็กติกไก่นะในซูเปอร์เนี่ยนะ ถ้าถ้าร้านไหนมีแขนซ้ายก็จะมีปีกซ้ายหมดเลยร้านไหนมีปีกขวาจะมีปีกขวาหมดเลยเออดีไหมนะคะก็เราเห็นลงเชื่อใช่ไหมคะไก่เนี่ยมันเพิ่มาแขวนมาเป็นแบบมาเป็นโปรดักชั่นไลน์อะมาถึงเสร็จแล้วก็แล้วแต่จะมาเป็นตัวจะตัดแขนตัดคขาตัดน้องตัดอะไรแล้วน้องทุกน่องเท่ากันหมดเลยค่ะเวลาเราไปตลาดสมัยเด็กๆ น, นึ่จาได้นะว่าเราจะเลือกปีกเนาะเราก็เลือกปีกใหญ่ใหญ่คะ่ะ เออเขาก็จะเลือกอาหารเวลาเลือกก็เลือกเลกปี๋เดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงค่ะคือกระบะท่างกะบะเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วอย่าบอกลินนะว่าไม่ GMO ไม่มีทางอะค่ะที่มันจะออกมาเท่ากันนึกออกไหมพี่น้องฝาแฝดกันยังออกมาตัวไม่เท่ากันเลยจริงไหมคะอ่านะคะก็เป็นเรื่องของ GMO ที่เรื่องเป็นน่ากลัวมากๆทีนี้เนี่ยเอ อ, อาหารไม่ครบละคุณภาพอาหารไม่ดีละตายแม่งตอนนี้เลยดีไหม ไม่ใช่นะะไม่ได้ให้ตายตอนนี้แต่ว่าอยากให้หบอกพวกเราว่าจริงๆมันมีความหวังอยู่อันดับแรกสุดเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องทําก่อนที่เราจะได้สารอาหารดีๆเข้าไปในร่างกายคือก็ควรจะกําจัดสารพิษของเก่าออกก่อนแปลกไม้มอาบน้ําทุกวันเลยไหมมีวันไหนไม่อาบไหมคะสระผมนี่อย่างน้อยต้องอาทิตย์ละครั้งนี่ยขอร้องขอร้อง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ถามนะขอร้องให้อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะบีโอเค <laughs> โอเคไหมคะอ่าแล้วตกลงกันไว้ในวันนี้เพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันน่ะเนอะเนื่องจามันจมอยู่ในขี้ด้วยกันไม่ไหวเม้นโอเคนะคะก็ในเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดยังไงละ่ะเฮ้ยแล้วม่ไพูดเรื่องกินนะก็ยังลืมหยุดื่นได้พูดยังไงล่ะ TMO ไปแล้ว สารพิษไปแล้วอ๋อกำจัดควรจะกำจัดสารพิษ ก, ก่อนที่จะทานอะไรเข้าไปแล้วก็เหมือนกันนะที่บอกว่าเราต้องอาบน้ําใช่ไหะแต่ว่าข้างในลําไส้เราข้างในกระเพาะเราทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เคยทําความสะอาดมันเลยจริงๆแล้วเราควรจะอย่างน้อยทําความสะอาดมันบ้างไม่เนื้ออหรว่าตรุจีนทีนึงก็ได้เนือ้อเหรว่าตรุจีนยังทําความสะอาดบ้านเลยบ้านเนี่ยยังกวาดบ้านถูบ้านอย่างน้อยทีละครั้งเลยใช่ไหมคะบางคนบอกเนื้ออ่านะคะนั่นก็แล้วไปนะคะ ก็เนี่ยแหละเราก็ยังทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นแต่เราไม่ได้มองข้างในในตัวในร่างกายเราวิธีมองในร่างกายเรามองง่ายๆนะคะมองอุจลามองปสัสสาวะของเรานะคะดูซิว่ามันแบบมันปกติไหมอ่ะอุจลานี่มันควรจะลอยบ้างจมบ้างใช่ไหมคะสีไม่เข้มเกินไปนะักนะคะอันนี้ก็คือวิธีการดูอันดับแรกถ้าเราขับถ่ายปกตินะคะหรือว่าเราไม่เซนซิทีฟมากกับเรื่องเราต่างๆนี่คือหนึ่งสองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผมด้านทานของเรา เราติดหวันง่ายไหมเราไม่สบายง่ายไหมเราท้องล่วงง่ายไหมคือกินอะไรมีผลกระทบกับเราทันทีเนี่ยหรอวะคือใครเป็นไรไม่เป็นไรกูเป็นก่อนเลยเอี่ยหรอวะบอกเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเลยว่าอาหารนี้ไม่สะอาดอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของเราอ่ะทีนี้เราจะบอกว่าถ้าเราดูตรงนี้เสร็จแล้วนะะนี่คือบทเข้าๆในการดูอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องผิวพรรณค่ะผิวพรรณสีตาขาวของเรานะคะอ่าตาขาวของเราจะจะบอกได้ว่าเอ้ยในการสะสมพวก พวกเบต้าแคโรทีนในร่างกายเราก็คือเป็นเป็นวิตามินลายในไขมันพวกนี้มันเกินหรือเปล่าแล้วในร่างกายเรามันมีอะไรเกินไปหรือเปล่านึกออกไหมคะคือที่มันไม่สามารถกําจัดออกได้อนะเราก็ต้องดูถ้ามันเกินนะคะก็ต้องหาทางเอามันออกถูกไหมคะวิธีเอามันออกจะต้องทอํายังไงบ้างนะคะก็มีหลายวิธีนะคะเราก็สามารถไปหาหมอมีหลายมีหลายวิธีมากๆในการกำจัดสารพิษจริงๆแล้วเราไม่ได้ เรายังไม่ได้คุยรายละเอียดของสารพิษที่เกิดขึ้นในร่างกายเนาะเมื่อกี้นี้เราก็ได้ยินเรื่องของของสิ่งรอบตัวใช่ไหมพวกพวกฟอร์แมลดไฮที่อยู่ในปลาก็ปลาเนี่ยเวลาเขาจับปลาชาวประมงเขาจับเหวียงแขนหนึ่งทีเข้าฝั่งไหมสองทีเข้าฝั่งไหมเรือมันไม่เต็มก็ไม่กลับอะแล้วทําทไงอะไอ้ล็อตแรกที่จับไปเมื่อกี้ตีห้าเมื่อเช้านี้ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยหรอวะมันไม่เน่าหรอคะปลาเน่าสิ นึกออต่อให้แช่ตู้เย็นก็เน่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเขายังต้องเอาเข้าฝังมาแล้วขนส่งขึ้นรถเข้ากรุงเทพเอีกนะกว่าเราจะได้กินปลาเนี่ยนะมันไม่มีทางหรอกที่มันจะสดได้อ่ะบางคนไปแท็กไปไ ป, ไปไปยืนดูอยู่ที่พารากอน่ตาไม่ใส่ตาไม่สดตาไม่ใสพวกมันจะสดได้ยังไงนึกออกว่าเหมือนจะแต่มันว่นายน้ํามาเนี่ยมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้อยู่แล้วอะถ้า ม, มันว่ายมาเจ้าพยา ให้เราให้เราตักกินเอสดแน่นอนนะคะแต่อยู่เจ้าพยายกรไม่กินด้วยนา ก, กลัวอย่างแรงนะคะก็นั่นละค่ะปลาไม่สดกุ้งไม่สดอะไรก็ไม่สดทั้งนั้นเนื้อหมูเนื้อไก่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันต้องมีพรีเซอร์เวชีฟอะคือมีตัวที่รักษาความสดเอาไว้อะเขาจะใช้อะไรเนี่ยขึ้นอยู่ที่จัญญาบรรของคนที่สร้างแล้วล่ะคนที่คนที่ขายแล้วอะใช่ไหมคะว่าเขาต้องการขายแบบไหนกาไรเยอะแค่ไหนทุกวันนี้นะเลเนะ่ยจะบอกว่า ไม่ก็ทั้งตัวเองตอนนี้คือชอบตอนนี้ฮิตทำแบบข้าวมากเพราะว่าเป็นโรคจิตเกี่ยวกับสุขภาพอา้าวทาไปทําแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> เป็นโรคจิตเกี่ยวกับสุขภาพไปแล้วนึกออกไหมว่าอยากดูแลตัวเองแบบอยากกินอยากกินของสะอาดๆอยากกินของที่แบบนึกออกไหมแล้วรสชาติเนี่ยน้ําตาลไม่เยอะเกินไปข้าวก็ได้กินข้าวดีๆใช่ไหมคะแล้วก็สารอาหารที่ใส่ลงไปสิ่งที่เราใส่ลงไปในเครื่องปรุงอะไรพวกนี้เราไม่ได้แบบใส่ผงชูรสไม่ใส่อะไรพวกนี้ก็คือให้พยายามซื้อทุกอย่างมันออแกนิกหมดเลย หมูยังซื้อออร์แกนิกเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟาร์มหมูออร์แกนิกมันต่างกับฟาร์มหมูไม่ออร์แกนิกยังไงแต่รู้ว่าราคาต่างกันสามเท่าอ่ะคือการพูดวันก่อนนี้บอกว่าเนี่ยเฮ๊ยไก่พารากอนโลละสามร้อยไปตลาดลุงข้างบ้านมีหมูแขวนอยู่ที่เขียงหมูในตลาดข้างบ้านเนี่ยก็มาโลละแปดสิบร้อยรอยี่สิบแล้วแต่ส่วนไหน ราคาต่างกันสามเท่าออกแกนิกไม่ออกแกนิกก็เนี่ยก็ดูกระตอนเนี้ยเดี๋ยวก็จะรู้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถดูแลคุณภาพชีวิตเราได้เราก็อยากดูแลแต่ถามจริงเหรอเวลาออกไปกินข้าวกะเพราหมูกลางวันหลังตอนพักเที่ยงที่ทํางานเนี่ยถามออกแกนิกไหมป้าอีป้าแม่งฟาดด้วยหมอเลยเนี่ยโมแกนิกพ่องอานะไม่มีทางออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องกินสิ่งที่เราต้องกินหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราก็ควรจะดูแลตัวเองดีๆ ะะแล้วนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้เรามาคุยเรื่องนิวทรไรส์นะคะเพราะว่านิวทรีไรส์เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่า from seed to serving ถ้าสังเกตนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์นะคะ เ, เกิดการโตนะคะแล้วก็เอามาในเรื่องของการที่สกัดเอาน้ำออกแล้วก็เอากากออกใช่ไหมคะออกมาเป็นผงเป็นผงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาอัดเป็นเม็ดทุกขั้นตอนตั้งแต่ตอนนี้ปลูกนะคะ ในดินไหนดินคุณภาพยังไงภูมิอากาศเป็นยังไงพันุ์ของสายพันธุ์ของอันเนี้ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรมแต่อย่างไรเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตนะคะมันจะมีผลเหมือนกับบุหรี่มีให้กับคนลดความอ้หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะวันนี้เรากิน GMO เราจะรู้สึกว่า GMO กินกันเต็ไมไปหมดเลยก็ เ, เหมือนกับเมื่อก่อนนี้เขาก็สูบบุหรี่กันเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนก็แบบว่าพอรู้แล้วว่าทําลายสุขภาพก็หยุดใช่ไหมบางคนก็ไม่หยุด แล้วแต่นะคะก็สรุปแล้วนะคะก็คือมีเรื่องของตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่การเพาะปลูกกรรมวิธีการปลูกนะคะสามารถไปดูอันนี้จริงๆแล้วอยากจะฉายสไลด์นะคะในเรื่องของกรรมวิธีการปลูกการเพาะปลูกนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเอาภาพที่ลินไปชมฟาร์มมานะคะแล้วมาให้ดูกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงมีความมั่นใจในตัวนิวทริไลท์มากอ่ะเป็นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นสุดยอดมากๆของนิวทริไลท์ บริษัทแอมเว ย, เ, ยเนี่ยก็คือซื้อเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของเรานะคะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือปฏิวัติวงการแพทย์นะคะโดยการตรวจน้ํำลายหารโรคนะคะอันนี้ก็คือสุดยอดมากก็คือจะเอาเอาเหมือนกับเหมือนกับคอตตอนบอัตเงี้ยอันใหญ่ๆนะคะมากวาดกับพุงแก้มอันนี้ลินทําแล้วเลินตรวจเรื่องของมะเร็งกับเรื่องวิตามิน B ก็คือตรงตามแผนเลยนะคะเป็นคนที่ขาดวิตามิน B ีเลือดลังมากแต่ว่าโอกาสในการเป็น โอกาสในการเป็นมะเร็งไม่มีอ่าโชคดีมากนะคะก็ในการตรวจก็คือดูราพันธุกรรมของเรานะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราดูแลพันธุกรรมเราดีๆเนี่ยแสดงว่าในอนาคตมันก็จะลดโอกาสในการเป็นโรคในการเสี่ยงเป็นโรคต่างๆที่นู่นนะคะบางทีเนี่ยเราจะเห็นบางุบางคนบอกว่าเนี่ยทําไมดร์แซมก็ไม่ได้ทานอาหารเสริมเยอะดร์แซมคือลูกของด็อร์าวก็คือเป็นผู้ก่อตั้งนิวทรีไลแล้วเราก็จะเห็น ระดับมกุกขทูตหลายๆคนนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเรนเอารูปถ่ายมาให้ดูที่มีมีอาหารเสริมของแต่ละท่านที่เขาทานว่าทานอะไรบ้างก็จะออกแบบให้โดยเฉพาะให้กับสุขภาพเรานี่เคยผลว่าทําไมเรามาเรียนวันนี้ที่เราต้องมาเรียนสี่ครั้งเนี้ยเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เสียตังค์ซื้ออาหารเสริมสเปะสปะเนื่องไหมคะเรนว่าถ้าอะไรให้เรียนแนะนําำนิวทรีไลซ์ง่ายๆเรนบอกง่ายๆเลยกิยนทุกตัวเลยจ้ะดีไหมคะดีคะ่ะพี่วีเดิน จริงๆแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาต้องการอยากให้ได้เงินของเราจากพวกเราแบบนั้นไงอยากให้พวกเรากินเห็นผลเกิดประโยชน์นะไม่งั้นมองหน้ากันติดหรอแล้วพวคุยกันไม่รู้เรื่องนึกออกป่าโหอินี่บอกให้กูซื้อทั้งแคทล็อกเลยนึกออกป่าซื้อมึงเย็นตั้งแต่นูเลยแหงอัพด้วยนะคะไม่ใช่นะคะเราก็มาคุยกันแค่เอาให้เกิดประโยชน์กับพวกเราในประโยชน์ที่สูงสุดนะคะเห็นผลสุดยอดมากนะคะเรื่อง น, นวัตกรรมอันนี้เปลี่ยนหน้าเลยค่ะน ะ, ะันนี้ก็ไปที่ ไปที่เอ่อที่แคลิฟอร์เนียมานะคะก็จะเห็นกล่องโปรตีนที่เหมือนกระป๋องโกโก้นางพยาบาลน ะ, ะสุดยอดมากนี่คือรุ่นแรกเลยนะคะแล้วก็บวกกับดับเบิลเอ็กซ์นะคะวิตามินรวมอ่าต่อเลยค่ะนี่ก็คือเราไปดูวิธีกรรมวิธีในการเพาะปลูก ข, ของเขาคือในการเพาะปลูกเขาก็จะดูทั้งภูมิอากาศดูทั้งสายพันธุ์ใช่ไหมคะปลูกเสร็จแล้วเนี่ยคือให้น้ํำยังไงเก็บเกี่ยวตอนไหนบางทีการเก็บเกี่ยวไม่ได้เก็บตอนสุก ไม่ได้เก็บเกี่ยวตอนที่มันแบบสมบูรณ์แล้วพร้อมจะตกจากต้นแล้วนะบางทีก็เก็บก่อนเขาจะดูตามว่าเขาจะดูว่าณจุดไหนที่สารอาหารสูงสุดแล้ววิธีการเพาะปลูกนะคะก็จะคือเขาจะบอกว่าเนี่ยประเภทต้นไม้ต่างๆสําหรับอาหารเสริมแต่ละชนิดนะคะใช้อะไรบ้างอันนี้คือส่วนของสมองเนี่ยการบาลานซ์ก็จะมีต้นอะไรต่างๆนะคะแล้วทัวร์ไกด์ทุกคนนะคะเคยเป็นสตาฟของนิว l ีไรส์มาแล้วกเกษียณแล้วตอนหลังนะคะมาเป็นเอ่อเป็นบริวาเทียในการนําทัวร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเคยทํางานอยู่ในอยู่ในนิวทรไรส์แล้วก็ชื่นชอบนิวทรีไรส์ก็ถามเขาว่าเขากินตัวไหนบ้างเขาบอกเขากินแทบทุกตัวเลยแล้วก็เกษียณแล้วหมายความว่าต้องอายุเกินหกสิบห้าแล้วนะคะก็ยังแข็งแรงนะคะเดินกับพวกเราทั้งเช้าเลยนะคะครึ่งวันต่ออะไรค่ะแล้วก็ใช้ใช้เดือนตัวเนี้ยนะคะไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะทุกตัวมีหลายตัวในนี้มีหลายตัวในการพลวนดิน ซึ่งเดินตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เล่นๆกันมันฉลาดมากนะคะมันจะไม่ใช้สเปร ส, สปาดนะมันจะใช้ขึ้นใช้ลงนะคะเพราะว่าเพื่อทำให้ออกซิเจนมันลงไปถึงชั้นรากแก้วของพืชนะคะอ่ะต่อนะคะอันนี้ก็คือ principle ทั้งเก้าอย่างนะคะในการในสิ่งที่นิวทิไล์ใช้ในการเพาะปลุกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอันนี้เราต้องไปดูเองมินเคยถ่ายภาพมาแล้วแหะแต่ว่าแบบมาใช้กันแล้วไม่เวิร์คเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อยากไป แล้วก็มาดูกัรวิธีในการเพาะปลูกเขาก็จะมีจําลองสถานการณ์ในในฟาร์มแต่ละฟาร์มแล้วก็ว่าใช้อะไรบ้างอย่างเช่นมีหุ่นไล่ก้าอย่างเงี้ยนะคะใช้แมลงมากินแมลงหรือว่าใช้แมลงมาควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงอีกพันหนึ่งใช้นกใช้เหยื่วใช้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็การทานวัชพืชก็จะให้แพะมาทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อค่ะแล้วก็ให้แพะอืดต่อด้วยเนึกออกไหมคือเขาจะมีแพะมาใช่ไหม แล้ตัวแพะนี่ก็จะนั่งกินวัชพืชนู่นี่นั่นเสร็จปุ๊บก็จะเอื้อืไว้ทาในในในสวนในในฟาร์มนิวท่ไล์นะคะแล้วก็ทําให้มันเกิดการอะไรนะบำรุงดินไปด้วยในตัวอันนี้ก็คือพืชแต่ละชนิดนะคะตามสีของมันแล้วก็ตามประเภทของมันนะคะเขาก็จะจับพวกนี้มาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมารวมอยู่ในด o u b l e x ออ่าต่อค่ะ นะคนี่ก็เป็นพยายนหลักฐานว่ามาดูด้วยตาตัวเองจริงๆน ะ, นะคะจริงๆกบจริงๆแล้วหลังจากนี้คือมีมีวิดีโออีกเยอะมากเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาเราหมดแล้วนะคะเวลาเราหมดแล้วเดี๋ยวจะขอให้วินสวิชกลับไปที่ที่สไลด์สามสไลด์สุดท้ายของวินอะเมื่อกี้นี้นะคะนะค ะ, ะ, คะก็คือ นี่แหละก็คือการส ก, กัดออกมาจนเหลือแต่ผงที่มันมีมีแต่สารอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาสารอาหารนี้เนี่ยมาอัดเป็นเม็ดแล้วก็ไปเคลือบน ะ, ะวิธีการเคลือบและสิ่งที่การอัดเม็ดและเคลือบหรือว่าคอมบิเนชันของว่าเอาตัวไหนใส่ผสมกับตัวไหนนะคะทุกอย่างมีดีเทลรายละเอียดหมดเลยเดินไปเดินผ่านนะคะมันจะมีกำแพงหนึ่งเลยนะมันเป็นกำแพงของของการจดลิขสิทธิ์ของนิวทิไลต์ตัวเด่นๆนะคะไม่ใช่ทั้งหมด เดินเนี่ยนะคะเดินประมาณเกือบห้าสิบเมตรได้อะแล้วก็มีป้ายติดอยู่นะคะว่าจดลิขสิทธิ์เรื่องอะไรนึกออกไหจดเรื่องแบบเรื่องต่างๆนาๆนาโหสุดยอดมากๆ อ, ะะอ่ะเฮ้ออ้อะคะทีนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องสุดท้ายก็คุยเรื่องเรื่องดีท็อกซ์นะคะว่าการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่เราได้กินอาหารที่เราเห็นําท้องตลาดทั่วไปแล้วเนี่ยเราสามกลับไปอีกสองอันอุย โอเค okay, ไม่เป็นไรอ่าน น, านั้นถ้างั้นถ้างั้นสไลด์สุดท้ายก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็เราจะมาดูกันว่าในวิธีการทำดีท็อกซ์เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายทำไมต้องเยอะขนาดนี้ใช่ไหมค ะ, ะเมื่อกี้ที่เราดูภาพเรื่องตับเรื่องไตเรื่องลำไส้ใช่ัหมคะสิ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือว่าเรื่องของไขมันส่วนเกินในการกินเกินเข้าไปนะคะ ในเรื่องของสารพิษที่เกิดขึ้นจากยาเกิดขึ้นจากอาหารที่เราทานนะคะแล้วก็เอ๊ะมีอยู่ในมีอยู่ในชีตป่ะเออนะคะเมื่อนั้นก็คือมีเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องของเออมีสารพิษ มีสารพิษจากอาหารมีสารพิษจากยานะคะแล้วก็มีเรื่องของไขมันส่วนเกินนะคะก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึงคือไลฟ์สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่กินเยอะเกินไปนะแม้กระทั่งเรื่องของไวน์แดงไอภาพที่เห็นที่มันเป็นแดงๆที่รินบอกว่าเป็นตับทอดนั่นแหนะก็คือผลจากไวน์แดงนะคะอะเราฟังเสร็จแล้วอุย้ยไวน์แดงมันมีส่วนในเรื่องของการป้องกันมะเร็งนี่นาเพราะว่ามีสารต้านอนุมนูลอิสระใช่ค่ะแต่มเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นโรคตับเนาะ อ่านะคะก็นะเอาเป็นว่าเราก็ลองดูนะคะว่าตับเราเนี่ยทํางานนะคะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเนาะบางช่วงทำงานน้อยกว่าบางช่วงแอคทีฟกว่าบางช่วงก็ไม่แอคทีฟนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เคยทําความสะอาดดูแลเขาเลยใช่ไหมก็จะเมื่อวันถอดตับออกมาล้างก็ไม่ได้นะก็ยากนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทานอาหารเข้าไปเพื่อให้ตับของเราเนี่ยมันคลายคลายสารพิษต่างๆและคลายไขยมันออกมาจากร่างกายอะไรเหรอ อยากรู้ว่าคุยอะไกรกันนะโอเคนะคะก็ในเรื่องของการดื่มน้ำนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเริ่มต้นนะคะตื่นเช้ามาทันทีเลยให้ดื่มสองร้อยมิลิตรจะให้ดีนะคะตอนนี้มีเทรนด์ที่ที่กำลังรุนแรงมากๆเลยคือการดื่มน้ำตอนเช้าให้ดื่มสี่แก้วแก้วละร้อยหกสิบมิลลิตรร้อยหกหนึ่งหนึ่งถ้วยคือสองร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็คือคูณสี่สี่ร้อย ห้าหกหกร้อยประมาณครึ่งลิตรอะคะ่ะให้ตื่นมาดื่มครึ่งลิตรแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรสิบห้านาทีนะเราให้พักเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทานแอปเปิลนะคะเสร็จแล้วไม่ไมโดยที่ไม่ปอกเปลือกเพราะฉะนั้นในการล้างแอปเปิลต้องล้างดีๆนะคะแนะนําให้ใช้ Dis ดร็อปเพราะว่าแว็กซ์ที่มันเคลือบอยู่สังเกตไหมฮะเดี๋ยวนี้แอปเปิลทนทนนะนี่มีแอปเปิลอยู่ในตู้เดือนหนึ่งนะไม่มีไม่มีรอยช้าไม่มีรอยเน่าเลยรใช่ไหมฮะสุดยอดมากเลยอะ่ะ คือมันเคลือบอะไรมาก็ไม่รู้อะรินเชื่อว่าถ้ารินกินไปนี่สพสวยเลยนะเหรอไปมคะไม่มีเน่าสุดยอดเลยนะคะแอปเปิลลูกนั้นนะคะมีตมาทั้งถุงเลยนะแบบนั้นอะกินเสร็จมันไม่มีตายเลยนะคะเอาล่ะแล้วก็ให้ทานมันเทศนะคะมันเทศมันเทศจะออกส้มๆใช่ไหมคะเพรา ะ, ะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการให้เราได้คือหนึ่งกากสองคือคือไฟเบอร์แล้วก็มีเบต้าแคโรทีนใช่ไหมคะอ่านะคะเบต้าแคโรทีนก็เป็นไขมันที่ละลายใน เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันไขมันที่ละลายในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็คือมีส่วนหนึ่งในเรื่องของการช่วยตับวิตามิน A ของเราทั้งหมดนะคะถูกสโตและเก็บอยู่ในตับของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราทานเข้าไปก็คือเป็นกา ร, รบํารุงมันส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากให้ทานที่มันเป็นธรรมชาติเอาละต่อนะคะก็คือหลังจากนั้นให้ทานโพลีทรีมนะคะแล้วก็โปรตีนนะคะเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมคะในสไลด์ที่มีเฟสหนึ่งเฟสสองในการในการดีทอ็อกซ์ร่างกาย การทานกรดอะมิโนที่จําเป็นมีส่วนสําคัญมากถ้าสมมติว่าเราไม่ทานเพราะว่าเนื้อเยื่อเราอะวันก่อนนี้แท็กพยายามจะอธิบายโปรโตีนโปรคืออะไรตีนคืออะไรเดี๋ยวอะโปรโตีนไม่ใช่นะโปรแปลว่ามาก่อนนะคะอ่าตีนแปล ว, ว่าฉันนะ น, ะนะคะนตีนอะนะคะอะฉันมาก่อนนะคะโปรโตีนก็คือแปลว่าฉันมาก่อนนี่คือ 90-80% ของร่างกายเราที่เป็นส่วนแห้งไม่น้ําน้ําไง ถูกไหมคะร่างกายเราเป็นน้ํามากกว่าเป็นเป็นเป็นของแข็งใช่ไหมคะแล้วก็ในของแข็งนั้นนะ่ยก็คือแป90ิบ้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะคอลลาเจนอิลาสตินผิวหนังตับไตไส้พุงทุกสิ่งอย่างส่วนต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากโปรตีนทั้งนั้นเลยแต่ว่าการสังเคราะห์แต่ละชิ้นส่วนออกมานะคะก็คือการมาจากแม่พิมพ์ที่เป็นเซลล์ที่เป็น DNA ของเรานะคะอันนี้ก็ทําความเข้าใจกันในภายหลังได้อีกนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เราทานอาหารเสริมชุดนี้ นะคะไปในการช่วยเพื่อทำให้ตับของเราเนี่ยตับและลำไส้ของเราทำความสะอาดไปพร้อมๆกันแล้วในมื้ออาหารทั้งหมดนี้ก็คือเราจะขอยับยั้งหยุดในการทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งนมและไข่เราคิดว่าถ้าไก่มัน GMO แล้วลูกมันจะไม่ GMO เหรอนะไข่มันก็มาจาก GMO เหมือนกันนะคะนมก็เหมือนกันนะคะเราก็เห็นแล้วใช่คะวัวเนี่ย คือนาอาสงสารคือเร น, นไม่รู้นะเรนว่าเห็นวัวถูกเชื้อแล้วน้ำตาไหลเดี๋ยเรนรู้สึกว่าดีกว่ายืนตัวจมอยู่ในกองขี้อ่ะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนเลวไร้กว่ากันนะคะแต่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ในการดูแลของตัวของเราก็คือฟาร์มและโรงงานนะคะเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูครั้งหน้านะคะมีมีภาพฟาร์มด้วยแล้วก็มีภาพโรงงานด้วยนะคะโรงงานที่ผลิตอาหารเสริมทุกเม็ดชนิดเม็ด อ, อย่างเดียวนะคะชนิดผงผลิตอีกที่นึง ทุกอย่างที่เป็นชนิดเม็ดนะคะผงอิฐที่บัวนาพักนะคะแล้วลินก็เข้าไปชมโรงงานมันตั้งแต่สเต็ปหนึ่งยันสเต็ปสุดท้ายนะคะโดยเอาบัตรเพชรไปเบ่งโอ้เวิร์กมาก <laughs> เขาก็พาไปดูเต็ไมไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ฉีดเคลือบอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะคะก็ะเอาภาพมาให้ดูถ้าพีก่กีมีภาพมาแชร์ด้วยไหมเนาะให้พีก่กีเอาภาพมาแชร์ด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือเรื่องของการทานอาหารที่อย่างเช่นเนี่ยค่ะเราจะทานไฟเบอร์ ตอนนี้ไอ้สามเม็ดนี้รินขอขอแก้ข่าวนิดนึงนะคะเพราะว่าสามเม็ดมันไม่ได้แก้สูตรจากเขาที่แล้วคราที่แล้วสูตรมันคือหนึ่งเม็ดแต่ก่อนนี้หนึ่งเม็ดเท่ากับสามหนึ่งเม็ดปัจจุบันเท่ากับสามเม็ดในอดีตเพราะฉะนั้นให้ทานหึ่งเม็ดพอโอ้โหแม่เนี่เนี่ยช่วมระเบิดแน่นอนเดี๋ยวส่วมแต่อีกรอบนะนะคะก็มีหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ดับเบิ้ลหนึ่งชุดนะคะรวมทั้งผักผลไม้รวมน ะ, ะผักผลไม้รวมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างไอที่เราได้เห็นเรื่องกรูธาไตโอนกรูธาไตโอนเนี่ยจะอยู่ในนี้สะเยอะนะคะแล้วก็มีวิตามิน B ใช่หมคะก็คือช่วยตับใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเข้าใจว่าบเนี่ยเป็นเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของอะไ น, นี้เผาผลาญทั้งไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะปโปรตีนรวมทั้ง เ, เรื่องของความงดงิดขี้ง่วงนอนขี้โมโห ใครชอบโมโหวแวดใส่ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยพวกขี้งูนี่ทั้งหลายให้กินวิตามินบีซะนะะก็จะได้สงบสติอารมณ์ลงเห็นคนลมเสียนะยิ้มเลยบีไหมคะ <laughs> ทานบีสักสามเม็ดไหมคะนะคะจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเราง่วงๆเนี่ยนะคะเพลียนะคะทานวิตามิน B ก็เหมือนที่วินพูดใช่ไหมคะว่าเมื่อคืนนี้ซัดเอไปพร้อมโปรตีนเสร็จเรียบร้อยอัเลอร์ดเลยน ะ, ะปกติจะเห็นวินแบบเบลอมากนะคะมันอัเลอร์จนถึงตีห้าลยไเมื่อวานนี้ทําสไลด์สุดยอดมากนะคะ โอเคแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นวิตามินซีอันนี้ก็วิตามินยอดยอดนิยมอยู่แล้วนะคะทำไมเราต้องกินซีของอันนี้ทำไมไม่กินซีของอันอื่นจะอธิบายต่อในช่วงสุดท้ายเข้าแมกโบรนะคะก็คือให้าาร่างกายให้เพียงพอนะคะแล้วก็ปรับความสมดุลของเลือดไม่ให้เป็นกดมากเกินไปน ะ, ะต่อมาก็คือเรื่องของเพราะว่าเดือยพอสารพิษออกมาจากตับของเราใช่มคะมันต้องมีการบาลานซ์อะ ถ้าเราไม่บาลานซ์สารพิธีออกมาจากตับก็เข้าไปวนอยู่ในเลือดแล้วมันก็วนอยู่อย่อยางเงี้ยมันไม่ไปไหนสัทีก็ต้องหาทางกําจัดมันทิ้งไปซะนะคะแล้วรวมทั้งกระเทียมแล้วก็เลซิตินเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีการสารพิธเลซิตินให้ดูนะคะเลซิตินนี่สุดยอดมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอาวิตามิน B ีไหมคะอุ้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็ C L A แล้วก็ให้ทานขนมปังโฮลวีตหนึ่งแผน่นอันนี้ก็คืออาหารตามมือ้อเดี๋ยวในรายละเอียดนะคะมาขอดูเพิ่มเติมได้ อันนี้สุดท้ายแล้วที่เรนจะพูดเมื่อกี้นี้ก็คือจะพูดว่าไม่ใช่ไรเซตินวิตามินซีโอเคไม่หลายๆคนก็เคยถามเินว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเขามีวิตามินของเขาอยู่แล้วซื้อมาเยอะแยะเลยยังไม่หมดสัทีทํายังไงถึงจะเกณฑ์ น, นี้ได้เนึ่อองไหมคะถ้าเป็นสไตล์เรนจะไม่บังคับแต่เรนจะบอกว่าถ้างั้นอย่าเพิ่งทําดีทอ็อกสก็กินของคุณไปก่อน เพราะว่าในการกินในการกินในชุดสุด d อ t o x เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นการกินในปริมาณที่เยอะกว่าปกติถ้าสมมติว่ามีแม้ต่สารสังเคราะห์นะคะที่ดูดซึมได้ไม่ดีพอเนี่ยต้องทำให้ตับกระต่ายทำงานหนักขึ้นหยุดเลยไม่ต้องกินแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะให้ตับกระต่ายทำงานน้อยลงแล้วเป็นการช่วยล้างตับแล้วก็ไส้ลำไส้ของเราเนี่ยนะคะให้ใช้นิวทีไล์ เพราะเลยจะไม่แนะนําเลยว่าให้เขาทาดีท็อกซ์โดยการใช้ส่วนผสมอะไรก็ตามที่เขามาผสมจากยี่ห้ออื่นนะคะเพิ่งคุยกับพี่คนหนึ่งนะคะก็คือเขามีเจ้านายคนหนึ่งคอยเอาเออคอยเอายี่ห้ออะไรมัวมัวมาให้กินเนี่ยนะคะจากออสเตรเลียรู้จักไมหมคะมัวมวอ่าฮะอะไรดำดำอะไรมัวมัวนะคะก็เอ า, อ า, อ, าอาหารเนี่ยอาหารเสริมมาจากออสเตรเลียให้เพราะฉันเ้าจะไม่เคยอยากซื้ออะไรกินเลย เสร็แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขานั่นสุดยอดมากเลยกินวิตามินซีวันครกงละครั้งกินพันมิลลิกรัมเลยนะหลาหลายคนก็จะแบบมีความรู้เอ้ดีว่ากินพันมิลลิกรัมไม่ต้องมาเสียเวลากินเนอะบางคนเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจ ด, ดูแลสุขภาพแต่อยากสุขภาพดีมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้นะจริงจริงเนี่ยตอนนี้ไม่ออกกําลังกายมันก็อ้วนอะ่ะนึกออกว่าถ้ามันออกกําลังกายมันก็ผอมลงอะ่ะเออถ้ากินดีแล้วก็สุขภาพดีอะ่ะ แต่ว่าลินาขยันอย่างเดียวคือขยันกินอาหารเสริมขยันใช้อาจิสซี่นี่เหรอหคะเวลาว่างไม่ได้ต้องพอกหน้าเนอะกลัวกลัวหิวเห็นไหมไม่มีใครเป็นอยากเหี่ยวกันหมดเลย <laughs> ไม่รู้ว่าเรากลัวเหี่ยวนะคะกลัวเหี่ยวกลวไม่สวยแปลกนะความสวยเป็นเป็นสิ่งเสพติดเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเรายังไม่สวยเนี่ยมันจะชินอืมแต่พอเวลาสวยแล้วอยากสวยขึ้นเป็นไหมคะ เป็นนะกรู้สึกแบบอุ๊ยานแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวต้องไปลองใช้อันนั้นลองใช้อันนี้เพื่อให้ไอน้นั่นไอนี่มันลดลงเนี่ยเหรไหมคะคือต้องหาวิธีหาเรื่องอ่ะให้มันสวยขึ้นน่ะจริงๆมันเป็นสิ่งเสพติดเวลาไม่สวยนี่คือธรรมดาคือก็กูก็หัวฟูร่างเท้าแต่ไปอย่างเงี้ยช่างมันเนี่อเหรอวะไม่เป็นไรชินแต่พอเวลาสวยแล้วอยากสวยอีกและเ ว, วลายิ่งมีคนชมเนี่ยยิ่งชอบเออนะคะอนอกเรื่องอีกแล้วนะคะก็เรื่องวิตามินซีทานวันละหนึ่งเม็ดพันมิกรัม นะดีใจมากเลยเขาดีใจมากที่เขาไม่ต้องทานเยอะแล้วเขาก็บ่นนะโปรตีนกินไม่ได้มันจะสากลิ้นหรืจะอ้วกนี่น่นเนีน่ยเหร อ, อไหมคะโอเคไม่กินอย่า ก, กินปล่อยผ่านไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่ารู้ไหมว่าวิตามินซีพันมิลลิกรั ม, มนี่มันเป็นยังไงวิตามินซส่วนใหญ่พันมิลลิกรั ม, มที่มันเป็น time releasing เนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ย n ิวทริไลซออก time releasing แล้วที่อเมริกาแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มาใน time releasing เนี่ยน ะ, ะมันจะเคลือบด้วยคาเฟอีน แล้วเวลาทานทานวิตามินซีเสร็จปุ๊บมันจะพีคชืแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงลดลงลดลงลดลงลดลงของนิวทริไลท์เนี่ยเวลากินแบบพันมิลลิกรัมแล้วเป็นท i m e รลิซมันจะมันจะค่อยๆขึ้นแล้วมันก็จะคงที่อย่างเงี้ยจนมันหมดฤทธิ์ไปเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสารอาหารที่คงที่เสมอไม่ใช่อยู่ดีๆก็พีคสูงขึ้นมาแล้วก็ตกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความแตกต่างในร่างกายเราที่จะโปรเซสก็ต่างกัน แต่วิตามิน C ที่เรากินเราต้องขยันกินนิดนึงเพราะว่าที่เมืองไทยยังไม่มีไทม์ไลน์สเพราะฉะนั้นเราจะกินกันทุกๆ4ชั่วโมง5ชั่วโมงวิตามิน C เนี่ยเป็นวิตามินละลายในน้ําบวกกับวิตามิน B ทั้งคู่เลยแล้วสองวิตามินนี้เนี่ยจริงๆแล้ว B เนี่ยมีความสําคัญไม่ไม่ลด ไ, ไม่น้อยกว่าวิตามิน C เลยนะคะ B เนี่ยคือทั้งเ อ, อ B5 กับผมใช่ไหมอืมพวก ระบบสื่อประสาท ต, ต่างๆนะคะระบบประสาทระบบการผลิตเม็ดเลือดระบบการผลิตเม็ดเลือดขาวทั้งเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงเรื่องพวกนี้นี่คือมีส่วนจากวิตามิน B หมดเลยแต่ว่าไม่มีใครเคยสนใจมันเลยน่าสงศารมากเลยอ่ะถ้าไม่เป็นปาก ก, นกอนนอกกระจกก็ไม่ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยใช่นะการเป็นบาร์กนอกกระจกขาดอยู่อย่างเดียวคือวิตามินบีสองไม่ใช่สิบสองด้วยแล้วคนที่สําหรับพวกกินมังสวิรัตกินเจอะไรพวกนี้นะคะไม่มีทางได้รับวิตามิน B ีสิบสองแน่นอน พนบีสิบสองสำคัญมากที่เราจะต้องกินถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะะเพราะว่าได้จากวิตามินได้จากเนื้อสัตว์เท่านั้นเพราะาต้องเขียนวิตามินบีสบสองหรือบีสิบสองสำคัญยังไงเมื่อกี้นี้วินก็ อ, อธิบายไปนะคะขอดูสไลด์อีกทีหนึ่งเพราะมันมีรายละเอียดนิดหน่อยบีสิบสองสิบสองนี่อ่านะคะเห็นไหมช่วยสร้างเม็ดเลือดทั้งหมดช่วยระบบการเผาผลาอาหาร สร้างสังเคราะห์และซ่อมแซม DNA อ่ะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแสดงว่า DNA อเราเนี่ยถูกซ่อมแซมได้น้อยหรือช้าลงแต่เพราะว่าเราขาดวิตามิน b 1ส mm ิบสองเพราะฉะนั้นในการทานวิตามิน B นะคะนอกจากนอกเหนือจากมันจะช่วยตับทำงานเมื่อกี้นี้เราได้กลิ่นแล้วใช่ไหมคะใครได้ดมบ้างเบียร์ผสมวิตามินบใครแฮงแฮงนะคะตื่นเช้ามานะคะันวิตามิน B สักสี่เม็ด นะคะภายใน20นาทีนะคะพอมันเริ่มแตกตัวปุ๊บเนี่ยนะคะก็หายแห้งเลยเอาบีซะหน่อยไหมคะพี่กิด <laughs> พี่กิดดูนี่วิตามินบมาก ไม่ได้แฮงกนะนคะก็เป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยเวลาขาดวิตามินบีโดยรวมนะคะบีเนี่ยแต่ก่อนนี้มันไม่เคยมารวมตัวกันเป็นครอบครัวนะคะตอนนี้มันมารวมตัวเป็นครอบครัวเพราะคุณสมบัติมันคล้ายกันก็มีเรื่องของอารมณ์เปรี่ยนแปนะฮะโลหิตจางประจําเดือนมาไม่ปกติปลายประสาทถูกทํำลายภาวะผิดปกติทางสมองโอ้โหครบทั่วเลยแล้ววิตามินบสุดยอดมากจริงๆนะคะลองลองเอางี้ในเรื่องของดีท็อกซ์นะคะรินคิดว่าตอนนี้วันนี้เราต้องจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีรอบผู้นําเนาะ นะคะก็ในเรื่องของดีท็อกซ์นะคะอย่างที่เันบอกก็คืออย่าที่จวเอาอาหารเสริมชนิดอื่นมาผสมเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการทำคือเราต้องการให้ร่างกายเราได้ทานของที่ออร์แกนิกที่สุดและเพียวที่สุดและสะอาดที่สุดเราเสี่ยงมากพออยู่แล้วกับสารพวกสารตกค้างในพืชใช่ไพบสารพิษในผักผักปอสารพิษอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องคอยระวังดูนิดนึงนะคะในการล้างผักของเราในการที่เราจะทานอะไรก็แล้วแต่ให้เราดูดีๆแต่ให้เลือกผักออร์แกนิกนะคะก็จะดีมากในการทำดีท็อกซ์เนี่ยก็คือสนับสนุนมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามในร่างกายสุขภาพเรามันติดขัดเยอะๆ เช่นเป็นผื่นที่ร่างกายแบบอธิบายไม่ได้หรือว่านี่เหรอไหมคะมันเป็นเรื่องราวที่แบบผมร่วงมากผิดปกติหรือการทานอาหารของเราใช่ไหมคะไม่ย่อยตามไม่ย่อยตามปกติท้องเสียง่ายป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายติดนู่นติดนี่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องนี้พวกนี้บางทีในการกําจัดสารพิษไปเราจะได้เคลียวไปเลยว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับลําไส้เพราะตับกับลําไส้ลําไส้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนสําคัญมากๆในเรื่องของคุณต้านทาน 80% ของภูมิต้านทานเรามาจากลําไส้ถ้าสมมุติว่าเราดูแลลาลไส้เราไม่ดีหรือการดูดน้ําออกไปของร่างกายไม่ดีหรือไม่บาลานซ์ในเรื่องของแบคทีเรียรที่อยู่ในลําไส้นะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะเป็นคนที่เป็นอะไรก็ป่วยง่ายนะคะก็วันนี้นะคะอยากแนะนําให้พวกเราน ะ, ะลองทำดีท็อกส์นะคะทำความสะอาดลำไส้ดูเพราะว่าเราไม่อยากมีตับและลําไส้ที่เราเห็นในภาพผลเืเ้องต้นใช่ไหมคะ อ่านะคะก็วันนี้มีแต่เพลงเท่านี้นะคะแล้ววัเราพบกันในวันเสาร์หนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะ